จเจริญพรท่านสาวทุกชนพุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เราก็จะมาสนทนาธรรมอันอีกครั้งหนึ่งแลกเปลี่ยนถามตอบคำถามใครที่อยากจะถามคำถามก็เชิญเข้ามาถามได้ก็เชิญใครก็คงจะให้เด็กๆ ก, ก่อน มอเรก่อนนะอาจจะให้เด็กๆก่อนอืมนักกุญแกโตเกียวพอ ร, รอาจารย์หยาดลการนำมัสการเจ้าค่ะพระอาจา ร, รย์พระอาจารย์วางก่อนลูกจะถามอะไรคะอาจารย์ใช่อวงไรมันนึ่งเลยอ่าที่ออหยู่บอกว่าหนูจะไม่กินเนื้อะาจาจะบอกว่ากินได้ไม่ใช่หรอ เจสสันลืมเจ้าช่ววงไหนไ้ไมถ้าหนูถามเจสสันว่าดูเจสสันจะบอกว่าน้องคุณกินเนื้อได้แต่นูเพราะว่าหนูไม่อยากกินเนื้อหรือสัตไม่ได้ไม่กินก็ไม่ต้องกินนืมครับใช่ไมคือไม่มีคำถามแลวใช่หมเนืไม่กินเนื้อหนูต้องไม่ฆ่าสัตว์นะฆามูได้า่ามลงไร้เปล่าชปะ ห้ามฆ่าสัตว์จะจะบอกอาจารย์ไม่ไม่โอเคห้าม่าสัตว์่าสัด้ไหมได้ะนนะอืมครับค่ะครับแล้วค่ะค่ะวันนี้สงสัยม่วงแล้วค่ะค่ะโอเคดีไม่ค่าสัตว์ดีไม่ฆ่าเนาะโอเคถ้าอาจารย์เจ้าค่ะ พรุ่งนี้วันเกิดค่ะขอพขอพระอาฉันไ์เมตตาใ้ขอให้ไม่เกิดขอให้ไม่เกิดนะขอให้เกิดตรงนี้เป็นครัง้งสุดท้ายแล้วกันเด<า>ี๋ยวเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอืมให้พรยังไงมันก็หนีความแก่เจ็บตายไปไม่ได้ยัคุณออกไปไม่ใช่ตอนนี้ดูไม่ใช่ตอนนี้ดูอ่ะ รู้ค่ะพอาจารย์ขอให้หราได้รับพร น, นั้นค่ะจะพยายามปัดค่ะจะให้พรแบบขอไม่ให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ให้ไม่ได้ค่ ะ, ะพร น, นี้สุดแล้วค่ะพระอาจารย์แล้วก็ต้องีเตรียมตัวรับความแก่ความเจ็บความตายค่ ะ, ะถ้ารับได้ก็ใจก็จะไม่ทุกข์ถารับไม่ได้ใจก็จะทุกข์ค่ะก็มีเท่านั้นแนะ่ะ อยู่ที่เราจะรับหรือไม่รับแต่เองค่ะอาจารย์ขอให้เรียนในชาตินี้ ด, นด้วยกันจะพยายามปฏิบัติให้ได้มากที่สุดค่ะสาธุค่ะเหมือนแยกกับแฟนเลยไม่ยอมรับมันต้องแยกกันมันก็ไม่ทุกค่ะไม่ทุกเลยถ้าไม่ยอมรับมันก็จะทุกค่ะรู้สึกว่าเป็นทุกจริงๆที่ ท, ที่ที่มีที่มีหัวตอนนี้มไม่มีแล้ว ไหวมากเลยค่ะโอเคอ่ามีการพัดพาจากการเป็นธรรมดานะค่ะค่ะอาจารย์ไม่ว่าใครทั้งนั้นเราถึงอยู่คนเดียวจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับใครแล้วใครจะเป็นใครจะตายเราก็ไม่ทุกข์อล้อ่าโดนเลนะคะโอเคอ่ากรันะอาจารย์ค่ะอจะแมัจะัตที่จะจะแมจยตที่ ประบนมัศการพระอาจารย์ครับส่องการบ้านเช้นชคยใช่ไหมใช่ครับแล้วก็รายงานผลการนั่งสมาธิครับอ่ารายงานผลการก็คือนั่งสมาธิก็นั่งทุกวันครับไม่ขาดเลยครับอ่านี่นั่งได้ข้างละกี่นาทีครึ่งชั่วโมงครับครึ่ชองชั่วโมงะแล้วนั่งนั่งแบบไหนนั่งแบบคิดนู่นคิดนี่หรือนั่งอยู่กับพุโทโธแล้ว อ, อยู่กับลมหายใจ นั่งอยู่กับพุโทโธแล้วก็ลมหายใจอ่าอย่าคิดนะถ้านั่งแล้วคิดไปก็เหมือนไม่ได้นั่งนะนั่งเราต้องอยู่คิดต้องอยู่กับพุโทโธแล้วต้องอยู่กับลมหายใจอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้สองอย่างด้วยกันก็ได้แนละ้วแต่เจะถนดัดครับอ่าแล้วมีความรู้สึกแตกตา่างเมื่อก่อนนั่งกับหลังจากนี้เวลาที่นั่งมีความรู้สึกจิตใจสบายขึ้นเบาขึ้นสุขมากขึ้นหรือเปล่าครับ อืมดีเขาเล่นเกมไหมหรือยังชั่วเกมไม่ได้อยู่ดีมันเป็นความสุขทาวจากเกมครับพระุทธเจ้าบอกความสุขจากสมาธินี่เหนือกว่าความสุขจากการเล่นเกมนะครับอถอายังไม่ได้เจอความสุขที่เหนือกว่ากา็ความสุขที่ได้จากการเล่นเกมกแสดงว่ายังจิตยังไม่สงบพอมันต้องทําให้สงบจนน้ํำอ๋อ ความสุขแบบนี้ดีกว่าเล่นเกมแต่แบบนี้ไม่เล่นเกมแล้วจะเล่นสมาธิแทนเล่นเกม<บ>สมาธิแทนสมาธิก็เป็นเกมอย่างหนึ่งรู้เปล่า<บ>อ่าทีนี้เราไม่เรียกว่าเกมนะันเองเล่นเกมว่าต้องมีสติใ่ไหมต้องเพ่งดูนะต้องคอยกด<บ>อ่าทางสมาธิก็ต้องเพ่งดูลมต้องเพ่งดูพุทโธใช่ไหมถ้า<บ>มนเล่นเกมเละก็ต้องใช้สติเหมือนกัน แต่ผลได้มต่างๆกันมันได้จากการเล่นเกมดีไม่ดีก็เสียใจจะแพ้ใช่ไหมถ้าชนะ ก, ก็ดีใจออืครับแต่สมาที่นี่มีแต่จัดชนะมีแต่ใจจะสงบอย่างเดียวครับอ่ามาเปลี่ยนเล่นเกมสมาธิในการนั้นมีใครเขียนโปรแกรม้ ขายได้ไมัือเปล่าแล้วเกมสมาธินี่อยากจะให้ขายช่วยทำให้หย <c oughs> โอ้ยถ้าทาขายได้เนี่ออยคนควรจะขายดิบขายดีนะถ้าคนเล่นเกมสมาธิแล้ว ก, กินรวมเป็นเป็นดับปัญาได้เนี่ยโอ้ยรับประกันได้ขายดิบ <c oughs> ขายดีโอเคมีอะไรไว้ที่อะไร แล้วก็เมื่อวานนี้ได้ทําการนั่งเฉยๆหนึ่งชั่วโมงครับแบบนั่งไม่ลุกไปไหนครับเออรู้สึกยังไงบ้างเป็นอัดไหมตอนแรกก็เดือดอัดแล้วก็เบื่อครับอ่านี่แหละความอยากของเรามั น, ม, นมันต้องคอยหลอกให้เราไปทํานูน่นทํำนี่ไปยืนตรงนั้นไปทํำอะไรอยู่เฉยๆไม่ได้เราต้องพยายามฝืนบังคับมันให้มันอยู่ยเฉยเอืา อย่างนี้ไปเรืเร่อยๆลองเพิ่มเป็นสองชั่วโมงดูต่อไปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทดสดทดลองกันนั่งเฉยๆสองชั่วโมงครับแล้วีแล้ ว, ลวจตี้มีอะไรป่ามีครับอ่ารายงานมาก็คือตอนที่นั่งเฉยๆครับมันจะปวดง้วยนิดหนึ่งนะครับเลยก็ขยับไป นิดหนึ่งครับแล้วก็พวามขยับเสร็จก็นนั่งเฉยๆต่อครับออขยับได้ตอนนี้เราไม่ต้องการจะทรมานร่รางกายต้องการทรมานความอยากถ้าเมื่อยก็ลุกขึ้นมายืนก็ได้แต่ไม่ให้ไปทําอะไรให้อยู่ตรงที่ตรงนั้นให้อยู่ที่เราที่เรานั่งที่เรายืนจุดเดียวครับอ่าคิดว่าเราจะามความอยากเคลื่อนไหวไปทําอะไรต่างๆได้หรือไม่ครับ ดีไหมรู้สึกนั่งได้แล้วรู้สึกมีความภูมิใจไหมมีครับนั่งแต่ไม่ให้เล่นเกมไปด้วยนะนั่งแล้วเล่นเกมไปด้วยป่ะก็นั่งเฉยๆนั่ง อ, อ, อยู่กับที่ยังเอาที่ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรให้ดูให้ฟังไม่มีมือถือให้เล่นอนะไรไม่มีแต่ก็ออยังใช้ใช้เล่นเกมสมาธิได้อยู่ถ้านั่ง อนอยากจะเล่นเกมก็เล่นเกมสมาธิพุโทโธพุโทโธดูลงมหายใจมาได้ครับโอเคมีอะไรไหมลัตี้แล้วก็ออพรามันมีอะไรผุดขึ้นมารครับก็ให้มันผุดมาเองครับให้ให้มันไปเองครับอ่อย่าไปสนใจครับอ่า ให้กลับมาอยู่กับพุทโธไม่อยู่กับลมหายใจถ้าทำสมาธินะถ้าถ้าถ้าไม่ได้ทำอะไรก็ดูมันไปดูมันเกิดดูมันดับไปอย่าไปดีใจไปเสียใจไปกับมันมีอะไรไหมไม่มีครับช่ไหมมีไหมเอาส่งกตัญญูโอเคเอ่ะ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 มีกรรมเป็นแนนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่เพื่ออาศัยเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรนนาสืไปเราั้งหลายคนพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเถิดนางกายเรามีอะไรบ้างมีผมขนและฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับพังผื่ดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเงื้อน้ำมันค้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำ่กล็ดน้ำมู น้ำมูดน้ำขข้อน้ำมูกน้ำลายน้ำมะเหลวน้ำตาน้ำมันข้นน้ำเหงื่อน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเสลต์น้ำดีเยื่ในสมองศีรษะอาหารเก่าอาหารใหม่ไส้น้อยไส้ใหญ่ปอดไตผังผืนตับหัวใจหมาเยื่อในกระดูกกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บ ผลขอมีตัวเราอยู่ในนี้นั่งกายไหมไม่มีครับตัวเราคือใครที่ invisible man ครับเอเคนะเราไม่ใช่ร่างกายนะครับร่างกายเป็นอะไรเราไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจนะครับให้รู้เฉยๆไปครับคบือว่ามันต้องแก่หรือว่ามันต้องเจ็บหรือว่ามันต้องตายแค่นี้ก็พอ ใช่ครับอืมโอเคมีคำถามไหมคุณแม่ไม่มีการแล้วกปฏิบัติเรื่อยๆกับพระเจาแล้วก็อ่าทุกน้อยลงแล้วค่ะแต่แต่ก็ไม่ได้มีความสุขเพิ่มนะคะก็คือเหมือนกับทุกน้อยลงแล้วก็โชคใจว่าทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนั้นเองเลยนะไม่ต้องตั้งคำถามอะไรนะครับหรือว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรที่มันผิดไปจากแทนที่เราคิดไว้ก็เหมือนกับเครื่องมันเถอนอะไรอนะ่าเงี้ย ไม่ไมโกรธไม่อะไรอย่างนี้อย่าไปทุกกับอะไระปล่อยวางออันใดไม่อยู่ในนิสัยของเราก็ต้องปล่อยวางอันใดยังอยู่ในนิสัยอยู่ทําได้ก็ทำไปค่ะโอเคหนังสือค่ะแล้วก็หนังสือธรรมะพระอาจารย์เคยอ่านมาก่อนหน้า น, นี้กับพอมาอ่านตอนที่เรามันมีสติมากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นหรือเข้าใจมากขึ้นนะคะแต่ก่อนน่ะ อ่าตาเป็นของร้อนนะคะยังไม่ค่อยเข้าใจแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยๆก็เริ่มเห็นว่าเออตามันเป็นของร้อนจริงๆเลยะคะ่ะแล้วมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์สิ่งที่เราเห็นมันก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นทุกข์อะไรเนี้ยค่ะแล้วเราก็ไปยึดมั่นถึงมั่นมันทําให้เราทุกข์เองเลยนะคะค่ะก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นอช่ต้องศึกษาไปปฏิบัติไปด้วยนี่มีทานี้นะ กลับกรอบขอบพระพุทอาจ้าครับไปที่ตะวันต่อตะวันออร์แลนด์ไฮแลนด์กับฮอลแลน์ น, น, น, นี่เหมือนเป็นพี่น้องกันนะแลนด์เหมือนกันกับมอสการ์พระอาจารย์ครับมีคําถามอะไรไหมครับหนึ่งอครับว่ า, าอะไรแล้วชูไลซ์ส ถ้าเราถ้าเราเชีย ش, เสียสละเป็นดีไหมลูกไม่ดีค่ะเสียสละอะไรนะเหมือนมดุดรเขากหกให้ตัวเองตายเอาไว้ให้เด็กของเขามีชยีวิตอ๋อผมจะจับว่าท่านจะให้เสียสละชีวิตก็ให้เสียสละเพื่อรักษาธรรมไหม ไม่ให้ไปรักษาคนอื่นอย่างนี้นแต่ให้รักษาธรรมให้รักษาศีลให้รักษาสติให้รักษาสมาธิอย่นี้ถ้าต้องตายเพื่อรักษาศิ่งตรงนี้ก็ยอมตายได้เช่นจะไปปฏิบัติธรรมในป่าอาจจะต้องเสี่ยงตายแต่ไปเพื่อทำไปเพื่อเจริญสตินั่งสมาธิก็ยอมตายอย่างนี้ให้ตายให้ยอมตายแบบนี้เสียสละแบบนี้ อาจารย์ไหมครับเพระาะว่าสาตา์เสียสลาแบบอื่นมันก็ไม่ค่อยได้กำไรอะครัท่าเราต้องเอากำไรผลที่กำไรที่สุดก็คือทำในทมแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ยาอแต่ไหมเป็นบุญไม่ที่มุตทำ Mm hmm. มันจะว่าเป็นบุญก็ได้เพราะว่ามันก็มันก็เสียสละชี่ไปชงมันไปแต่มันเสียสละด้วยความด้วยความหลงเพราะว่ามันยังไปถือว่าเป็นลูกถ้า mm hmm. เป็นคนอื่นมันก็ไม่อยอมเสียสละใช่ไห ม, mm hmm. มก็ยังเป็นกิเลนอยู่เสียสละแบบกิเลนอยู่ เราก็ไม่รู้ม่นงอนได้บุญหรือเปล่าจาการเสียสละนั้นนี่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้วิเคราะห์เลยไม่กล้าตอบจริงๆวันได้หรือไม่ได้อืมยังเคยเห็นคลิปวิดีโอนะคะพระอาจารย์ที่ว่ามีคนให้อาหารหมาจรจัดมันมีลูกเล็กอย่างเนี้ยนะคะแล้วตัวมันอดให้ลูกทานอิ่มก่อนอย่างเนี้ยนะคะพระอัทธรรมคือ อันนี้ก็เป็นความเมตตาเป็นความเมตตากไ็ได้อยู่ได้แต่มันก็เป็นเป็นเพราะว่ามันถ้าเป็นเป็นหมาตัวอื่นมม่งคงยังไม่ยอมอดใจนะอืออืออาจจะรื้อไปไปน่าก็อาจจะเมตตาใจเฉพาะของนี่เป็นของของมันถ้าของนี่ไม่ใช่เป็นของของมันมันก็หวงเลยนี่ไม่ดีไปกัดตัวไหนที่ยังมาแย่งอาหารมันกินอีกก็ได้ ก็ยังถือว่าเป็นความเมตตายอยู่ความรักของแม่ต่อลูกเป็นต้นแม่ยินดีซี่จ ะ, อ, ะอดเพื่อให้ลูกไ ม, ไ, มไม่อดแม่ยินดีที่จะตายเพื่อลูกอยู่ต่อแต่ว่ามั น, เ ป, นเป็นการทำบุญก็ได้เห็นแต่มันจะอาจจะไม่ได้บุญเท่ากับถ้าเราทำกับคนอื่นเพราะเราต้องใช้ความพยายามมากกว่าต้องฝืนใจเรามากกว่า ยัทำลายเพื่อตัวเราเนี่ยจะไม่ค่อยได้บุญเท่าไหร่เพระนถ้าเราเลี้ยงดูตัวเราเองนี่เราไม่ได้บุญเลยกินข้าวออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยให้กับตัวเราเองเพื่อให้ตัวเรามีชีวิตอยู่เนี่ยต่อไม่ได้บุญอ่ะมนบุญมันทั้งเกิดจากการที่เราไปทําให้ผู้อื่นเขาได้รับความสุขได้รับประโยชน์จากการเสียสละของเราัได้มากไดน้อยก็อยู่ที่คนที่เราไป ไปเสียสละนี we make, we make make, call, God, ่เป็นคนที uh ่ใกล้เราหรือไม่ใกล้เราถ้าเราไปเสียสละให้กับศัตรูได้ยิ่งยิ่งยิ่งได้บุญเยอะใหญ่นะออมของของที่ยากที่จะทำกับคนที่เรารักมันทําง่ายกว่ากับคนที่เราถือว่าเป็นศัตรูกับเราเนี่ยเพื่อนที่หนูไม่ชอบที่อะไรเอี๋มวหนแบบงังามให้เขาได้ปะ ยังเสียสละเอาขอนมไปให้ก็ได้เอาไปน่องให้เขากินได้ไห ม, ไ ม, ไมยังไม่ได้ยังไม่ได้นะ <c oughs> แต่ให้แม่ได้อยู่ใช่ไอมเข้าได้หล <c oughs> ังเยียงแบบนี้หลังเอ <c oughs> ีง <c oughs> ยง <c oughs> ได้แ <c oughs> ถมลูกา่าการเสียสลดะดีแม่ก็ดีการเสียสละก็คือเป็ น, ปนการ เป็นการให้ทานอย่างหนึง่งเป็นทานแล้วแต่เราจะเสีสเยสละอะไรเสียสะละร่างกายเราศียสละอวัยวะบริจาคเลือดเดบริจาคตานีไมันก็เป็นการเสียสละมันก็ได้บุญนะอาจจาะบุญมากบุญน้อยอยู่ที่ให้ไข่นั่นเองโอเคคำถามนี้ก็เป็นคำถามที่ตอบยากหน่อย อาจยะไม่คลียรนะถ้าพูดโดยโดยรวมก็ดีนะบดยจากได้ก็ดีส่วนโยมก็ไม่มีคำถามมันดีจ้าพระอาจารย์โอเคงั้นกลับไปที่คุณหม อ, อพิเชษต่อยันเป็นหมอกลับน้ำมศการพระอาจารย์ครับ ออความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายอย่าประมาดนอนใจในชีวิตครับพระอาจารย์ก็คือการประมาทในชีวิตก็หมายความว่าเราพี่ว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยแต่ไม่มีใครรู้แน่ว่าชีวิตของเราจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ในชะ่ไอาจจะตายตอนหลังจากฟังเทนนิสเสร็จก็ได้หรือกาลังฟังเทนอยู่นี้หัวใจอาจจะหยุดเต้นขึ้นมาก็ได้สำหรับคนบางคน ดังความตายมันเกิดได้ทุกเวลานาทีให้คิดอย่างนี้เหมือนกับที่พระเจ้าสอนพรานอนุณว่าคิดว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ตายโอกาสที่จะตายมันตายได้ทุกขณนะถ้าคิดอย่างนี้เราเราจะได้ไม่ประมาทเราจะได้รีบรีบรเร่งทําสิ่งที่เราควรจะทํากันถ้าเราคิดว่าเราจะอยู่ไปสักสิบปีตอนนี้ขอทําอย่างอื่นก่อน งองานภาวนาไว้ที่หลังก็ได้ไว้รอให้แก่ก่อนมีบางคนไม่แก่เลยมันตายก่อนแก่ก็มงตายก่อนเจ็บก็มีบางคนเจออุบัติเหตุเจออะไรต่าอให้คิดให้คิดไปว่าความตายนี่เป็นของที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเวล า, าจริงดังนั้นถ้าเรามีภารกิจที่สําคัญต้องทําริ่มทาเสียตั้งแต่ตอนนี้ ภารกิจสําคัญที่สุดก็คือปลดปล่อยใจให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดโดยการปฏิบัติธรรมเพื่อลักลิเลตตัญหาให้หมดไปจากใจอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะทํายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดในโลกนี้ไม่มีอะไรที่สําคัญเท่ากับการปลดปล่อยใจเราให้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งกาเรเวียนว่ายตายเกิดดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่าง ขณะเป็นพระราชาภูมาอท่านอยู่ในวังก็ต้องเป็นกษัตริย์ต่อไปมีพระราชกิจของกษัตริย์ให้ทำเต็มไปหมดท่านก็ตัดหมท่านเห็นว่าภารกิจเหล่านี้มันปลดเพิ่มความทุกข์ของใจให้ไม่ได้มีพระมีพระราชกิจที่จะปลดเพิ่มได้ก็คือการออกบวชปฏิบัติธรรมนั่นเองท่านเลยต้องตัดสินใจออกบวชทิงทุกสิ่งทุกอย่างไปให้ม เอาแต่ธรรมะมุ่งแม่สู่การหลุดพ้นเป็นเป้าหมายศึกษากับผูบาอาจารย์ต่างๆท่าที่จะสามารถศึกษาได้พอกูบาอาจารย์หมดวิชาจะสอนก็องค้นกว่าหาด้วยตัวเองในที่สุดก็พ้นวิธีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างถาวร เอาหลาดมันจากความทุกข์ทนี้ก็ไม่มีอะไรต้องทําอ้วเพราะไม่มีอะไรเป็นปัญหากับใจสิ่งที่เป็นปัญหากับใจก็คือความทุกข์ใจนี่แล้วนี่ยเพราะไม่มีความทุกข์ใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรเป็นปัญหาหต่อไปมันก็อยู่อย่างสบายอันนี้แหละเกอดจากการไม่มีความประมาทต้องรีบทำสิตั้งแต่เวลนาตอนนี้ อย่างที่โบราณเขาบอกน้ําขึ้นให้รีบตัดพอเวลาน้ํามันหมดไปไม่มีน้ำเนี่ยช่วงนี้หน้าแรงเนี่ยไปดูตามเขื่อนถ้าจะไม่มีน้ําใช้อย่างกันเวลามีน้ําให้รีบกัดเก็บไว้ไปเวลาช่วงที่มันแรงเราก็จะได้มีน้ําที่เรากับเก็บเอามาใช้ได้เพก็เช่นเดียว ก, กันกับชีวิตของเรามันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ ยังต้องต้องรีบทําเสียแต่แบบนี้พ้องงานอย่างนี้โอกาสที่ได้ทํางานแบบนี้จะหาได้ยากเพราะต้องมีคนสอนต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาสอนถ้ามันเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่มีทางที่จะทําให้ตัวเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ต้องรีบทําแำนะนะ ยิ่งเฉพาะคนที่มีอายุมากขึ้นมากขึ้นดนี่โอกาสที่มันจะไปะไมันมากกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าพอตัวอย่างมันพร้อมที่จะพร้อมที่จะหยุดทํางานหัวใจเอ่ยปอดเอ่ยตับเอ่ยตายเอ่ยคนใช้มานานนะตายก็ไม่น่าคนที่อ่อนวัยกว่าจะตายก่อนก็ได้ตายด้วยสายเหตุอื่นตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้ ฉันก็สรุปก็คืออย่างที่คุณมอพูดอย่างประมาทในชีวิตอย่าไปคิดว่าเราจะอยู่ไปเรื่อยๆจนถึงแก่เท่าอาจจะอยู่ก็ได้แต่อาจจะอยู่อาจจะไม่ได้อยู่ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่ได้อยู่เราก็จะเสียโอกาสไปถ้าเราไม่ทําอะไรตอนนี้แต่ถ้าเราอยู่ถึงแก่พอถึงแก่ถ้าเราไปทําตอนนั้นบางทีก็ไม่มีแางจะทําทำทําไม่ไหวอยู่ดี เดี๋ยวนี้สงสารคนที่เข้ามาวัดนี่บางคนต้องนั่งรถเฉ็นมาเงินทำอะไรไม่ก็ได้ทำได้อย่างบ้างก็ถวายของหน่อยอรีบทำจนตอนนี้นะพิจารณ์วอาต้องพิจารณาร่างกายว่าเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดมีและมีเกิดแล้วก็ต้องม่ดับไปเป็นธรรมดายัง จงรีบทำกิจที่เพิ่งกระทำทำประโยชน์ของตอนและประโยชน์ของผู้ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทแต่ น, น้องนั่นปปฏิบัติครับอาจารย์กรับมาพูดอย่างสูตรครับในที่ช้หนาคุณสาธิกาต้นงทำค่ะปฏิบัติทุกวันค่ะอาจารย์ค่ะปฏิบัติอะไรอ่ะ ค่ะก็ทานสีนภาวน า, ชาวเช้าใส่เข้านี่ห้อง่หนสือธรรมะแล้วก็ฟังเทศทุกวันค่ะว่าจาังนั่งสมาธิทุกวันหรือเ่านั่งทุกวันค่ะคและ้วเมื่อวานไปฟ o l l อ w ั p คุณหมอเรื่องเข่าอ่ะค่ะอืมก็เขานัดอีกสามเดือนลูกก็เลยลงไปภาวนาสองเดือนติดค่ะดีโอเคค่ะ <c oughs> สมาธินี่สำคัญมากนะไม่มีสมาธิก็ปล่อยวางไม่ได้ <c oughs> อย่างที่พระอาจารย์บอกอะคะ่ะคือมันเห็นความแตกต่างถ้าถ้าที่ฝึกไปแล้วะะะอ ะ, ค, ะค่ะพระอาจารย์เรื่อยๆเนี่ยค่ะดีค่ะโอเคนะตามตไปตามุามไปที่คุณยายกับคุณมากน้อยเลย เป็นจากสันโดษไปเป็นน้อง้อยเลยพระอาจารย์ครับพอดีว่าน้ำหนักมันไม่ลดสักทีก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อไม่เป็นมือเดียวเนี่ยเป็นมือเดียวก็ต้องลดนะไม่สบายมาหลายวันที่ผ่านมาไม่ได้เข้ามากับพระอาจารย์เพราะว่าเป็นโควิดของผมอยู่โรงพาบาลท้องแทนนะเป็นครั้งรกก็เป็นไลฟ์ เป็นเป็นเป็ น, นเป็นครั้งแรกครับผมอาจารย์แล้วผมก็ฉีดวัคซีนที่เป็นเชื้อตายทั้งสองเข็งแล้วก็ฉีดมานานมากเลยแล้วด้วยตั้งแต่มีโควิดใหม่ๆเพราะนั้นมันเลยไม่มีไ ม, ไม่ไม่น่าจะเหลือภูมิอะไรให้ผมเลยโอ้อ oh, าจารย์มันโควิดมันเล่นรุนแรงมากเลยพะอาจารย์มันเริ่มมาจากแบบเจ็บคอขนาดกลืนน้ำลายยังกลืนไม่ได้คระอาจารย์แล้ว<ม>พอพอ คือน้ำลายคือมันเหมือนมีอะไรมันบาดคอตลอดแล้วอาจารย์บอกคืนน้ำก็เหมือนบาดคอจนสุดท้ายพระอาจารย์มันมันมันสะเทือนไปหมดทั้งร่างกายเราก็พยายามดูความเจ็บปวดตรงเนี้ยครับอาจารย์แต่ว่ามันเหมือนเราว่าพอเราคืนอ่ะมันกลายมันมันเจ็บคราวนี้มันเลยกายร่างกายมันเลยแบบไม่อยากกืนฉันไม่อยากกืนเนี่ยวันเฝ้าดูอาการเนี้ยพอไม่อยากกืนมันเลยไปกับกระทบเอระบบอาหารนะครับอาจารย์ว่าพอกินอาหารปุ๊บ พี่พอมันผ่านคอคองไม่อยากกินมันก็เลยเหมือนแบบเริ่มจะแบบอยากเอาออกมาสุดท้ายมันเลยกลายเป็นแบบผะอืดผะอมกินเลยไม่ได้ไม่ได้แต่คุณยายเก่งนะคุณยายไม่เป็นอะไรเนะก็อยู่ห้าคนเหลือดิฉันคนเดียวนะตอนนั้นสี่คนนั่นกันหมดเทำงานหมดเลยสีคนในบ้านเป็นพร้อมกันค่ะค่ะ ใครทมีคุณยายไม่เป็นอยู่คนเดียวครับป็นเช่นน้เยวมีแค่คนเดียวที่เป็นไม่ได้เป็นอะไรอลายคุนยายเก๋งนะยายอยู่ได้คนเดียวมันดีแล้วใช้ต้องมาอยู่โรงพยาบาลเลยใช่ครับผมอาจารย์ต้องไปแอดมิตรโรงพยาบาลอยู่หลายครั้งเพราะว่าไข้ไข้ก็แตกเกือบสี่สิบแล้วก็อ่า เหมืมีอาการอยู่ดูเช่นความดันตกอะไรอย่างเงี้ยอยู่กี่วันนะถึงจะออกมาได้ถือน่าจะสักสองสองวันสักสองสองสองวันครับพระอาจารย์แล้วก็กลับตัวโรงพยาบาลให้ยาเลย่าต้านไมรัสนะครับให้ยาให้ยาต้านไวรัสแต่พระอาจารย์มัน โอโหแล้วบอกว่ามันเป็นอะไรที่เลวหลายที่สุดเลยที่มาตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้ครั้งนี้คือหนักที่สุดเลยที่เป็นมาแล้วเราก็คิดว่าถ้าเราไม่มีแบบกำลังใจที่เข้มแข็งมันก็คงผ่านมาได้ลำบากเพราะว่า<ช>มันก็ <laughs> ใช้ธรรมะใช้ธรรมะ ช, ช่วยหรือเปล่าครับผมก็ใช้ธรรมะช่วยเราก็ คือตอนแรกอ่ะพอพอตรวจแล้วรู้ว่าเป็นน่ะเราก็เหมือนไปนอนพักผ่อนก็ ก, กักตัวอยู่ในห้องปรากฏว่าตอนเรานอนเราก็เหมือนพยายามจะพุทธโททาสมาธิต่างๆนาๆนาครับอาจารย์ปรากฏว่าไข้พอมันไข้เริ่มขึ้นมันคือพุทโทตีกับไข้ <laughs> <laughs> ม, มันพยายามที่จะแบบเข้าไปในสมาธิแต่มันก็โดนไข้กดเอาไว้มันก็คือแบบสงบในระดับหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ ถึงที่เคยเข้ามาได้ก็ถ้าเข้าธรมที่ไม่ได้ก็ใช้ปัญญาอยู่กับมันไปร้อนใจว่ามันเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราก็กลุ่มบังลับห้ามมันไม่ได้ให้สัตว์ว่ารู้ไปแล้วมันจะไม่ทำรำคานใจ ันดีผ่านมาได้ด้วยดีแล้วผมอาจารย์ก็ไปก็หลังจากนั้นพอพอกลับมาหายดีฮะก็เอาคำสอนอาจารย์มาปฏิบัติต่อ เ, อเรื่องว่าให้พิจารณาก่อนทานข้าวทุกมือ้อวมันก็ครั้งแรกต้องยอมรับว่าเผลอคำแรกเข้าปากไปแล้วแล้วถึงได้นึกขึ้นได้ว่าต้องพิจารณา ก็เลยวางช้อนครับผมอาจารย์แล้วก็มานั่ง <McK> พิจารณาก็จะไล่อยู่สองเรื่องนะเรื่องแรกก็คือว่าร่างกายเรามีอะไรบ้างก็จะท่องอาการสามสิบสองและเสร็จแล้วก็จะมาเหมือนท่องประมาณว่าแบบเอออาหารนี้เรากินเพื่อเลี้ยงดูร่างกายให้เป็นยาแต่เราไม่ได้กินเพื่อบำรุงกินนะครับอาจารย์นี่ก็เป็นหลักปฏิบัติ กันงคืนซ้อมลบกลาหวันลบจริงครับจ์ก็ดีพยายามกินให้น้อยๆกินพอพอให้อยู่ได้ก็พอครับอาจั์เดี๋ยวผมผม เ, เลยช่วยยัชื่อครับรจ์โอเคมีอะไรไหมก็อ่าไม่ยังมีครับพาคุณยายมากาก์ก็ยังเราไดถึงท <c oughs> <ๆ>่านยืใช่ไ ะะดีจากค <c oughs> ุยายปุยายสุขภาพแข็งแรงอยู่ไปนานๆา น, นะเราตั้งใจปฏิบัติครับผม <c oughs> <c oughs> จะกินให้น้อยลงครับอาจารย์เวลามันอาจจะตายได้ทุวยเวลา น, า, นาทีนะใช่ไหมได้ละเดี๋ยวเพิ่มอันที่สามก่อนกินข้าวต้องพิจรารณามรรลณานะสติด้วย <c oughs> <c oughs> ตามตรงเลจ ไปที่าอาจาไรย์พรมวิลาย่าอาจารย์พรมวิลายหม่ใช้ได้ไหมได้ชัดเจนกลับนมัสการพระอาจารย์ครับกลับนมันสการพระอาจารย์ครับอะจารย์พรสบายดีทั้งคูนะสบายดีค่ะสบายดีไหมคะก็โอเคครับก็ยังสบายดีกันอยู่ค่ะพระอาจารย์สบายดีนะคะอยังสบายดีเหมือนกัน ยังไงก็หายใจสบายนั่งกายมันอาจจะไม่สบายก็ห้ามมันไม่ได้มันต้องอยู่กับมันไปก็ใจสบายกันนี่ทำใจสบายไปเรื่อยๆด้วยการยอมรับความจริงอะไรจะเกิดก็เกิดอะไรจะเป็นก็เป็นห้ามมันไม่ได้แต่เราไม่ได้เป็นไปกับมันก็แล้วกันเราคือใจ ใหญ่ก็กรู้ไปเั่นยลรู้ไปเฉยๆปล่อยวางเหมือนที่เพื่ออาจารย์คุยเมื่อกี้ที่อาจารย์ได้กล่าวไว้นะคะว่าเราก็แก่เท่าแล้วเราก็เป็นคนแก่เท่าจริงๆ<ช>นะคะร่างกาย เ, เราก็แก่เท่าเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบกว่าปีแล้วก็8บแปดสิบแล้วจะอะไรมันมาก <laughs> ก็ค่อนข้างเยอะอยู่ค่ะทุกคนท่องค่ายนะคะอืเพราะฉะนั้นค่ันมันอาทิตย์นี้อะนะคะก็ถ้าไม่มีอะไรก็อยากจะไปตักบาสนะคะอาทิตย์ถ้าถ้ายังแข็งแรงกันอยู่ออาทิตย์ที่แล้วเพื่อนเพื่อนมาใส่แทนให้เอาของฝากมาไห้ใช่ใช่ค่ะเขาบอกนี่ไม่ได้บอกเพื่อแล้วค่ะพรุ่งนี้จะพบกันก็จะบอกเหมือนกันว่าจะไปวันอาทิตย์ มันสุดก็มาเดือนละครั้งมันตรงพวกนี้ก็มาที่กันเดือนใช่ค่ะเดือนละครั้งค่ะเพราะว่าหลานเบอตั้งใจเอาไว้นะคะที่ถามไม่ว่าจะไปตักบาทเดือนละหนึ่งครั้งเรก็ทําได้ตลอดที่ผ่านมาค่ะทาได้ก็ดีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะทำที่ทำแบบอื่นก็ได้ทําที่อย่างไหรสะดวกก็ทําไปค่ะ แต่ส่วนใหญ่คนไปตักบาตรเนี่ยก็จะมีความติเตในในจิตน น, นะคะในฐานะที่เรายังไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ยังเป็นปูตุชนก็เหมือนกับการไปตักบาตรไปก็ทำให้มีพลังเข้ามาสู่จิตใจทำได้ดีเที่ยวนี้ก็ลูกเคยลูกสาวพาไปค่ะขับเองคงไม่ไหวแล้วค่ะคนลูกนนคุณบอกว่า I can do เราบอกเราไม่ไขับเองกไม่ไหวคนน no. uh uh uh uh uh uh uh uh ั่งไม่อจะขอนั่งไปด้วยนั่งขอขับเองค่ะนั่งมาห้าสิบปีเพิ่งแกบอกว่าจะไม่เอาแล้วเหนื่อยเกินไปค่ะเพราะว่าต้องออก้งแต่ยังไม่ตีห้าเลยนะคะเพราะว่าสว่างเลยได้อย่างสว่างเลยตีห้าสี่สิบห้าก็เริ่มเริ่มถึงบ้านอำเภอแล้วตีห้าสี่สิบ้าค่ะ ก็จุดที่ไปตักบาตรประจำนี่หกโมงครึ่งก็แบบถึงแล้วนะคะพิธจนันถึงเมื่อแล้วเจ็ดโมงก็พิธีนี้ก็เสร็จประมาณเจ็ดโมงค่ะก็เลยสว่างเร็วก็ต้องต้องรีบออกไปอะค่ะอืมก็ยังมีค่ะสวัสดีครับการรับราชการค่ะคุณอรนองิญ กลับงานมัธกับพระอาจารย์วันนี้ไม่มีเรื่องเล่าเรื่องถามค่ะมากราบพระอาจารย์เตชิยหนัวันนี้ปล่อยวางได้คมดปล่อยวางได้หมดนะดีพระอาจารย์จริงๆบอกๆไม่มีเรื่องเล่ามีเรื่องนิดหนึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนคนมันงุนหดหมิดใส่เราตอนแรกเราก็เอ๊ะทำไมถึงงุดหมิดใส่เราแล้วอยู่ดีๆก็คําว่าเมตตาขึ้นมาว่าเขาคงนอนอึเหมือนเรารู้ว่าเขานอนมาไม่พอพักผ่อนไม่พอวะเขาก็คงจะเหนื่อยมากอ่ะ งานยิธทำเออถ้าเราเป็นเขาเราก็อาจจะเป็นอย่างนี้ขึ้นเขาเราพลิกมองอย่างเงี้ยก็จะเหมือนเราเหมือนโล่งไปเลยพระจาจย์แล้วเราก็เกิดความเข้าใจในสิ่งที่ที่เขาแสดงออกอ่ะคือเขาเขาเหมือนกอับมันเป็นเมตตานนอ่ะอ่ะาให้อภัยก็ได้นะใช่ค่ะพระเจา้ามันเหมือนแบบปิง้งเข้ามาเลยพระเจา้าแล้วก็โล่งเลยแล้วก็เหมือนตั้งแต่ครั้งนั้นเนี่ยเหมือนเราสังเกตแล้วว่าถ้าคนเนี้ยพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยก็จะมีความ มู่ดีเกิดขึ้นคือไม่ได้เกิดจากความที่เขาอยากจะพูดไม่ดีกับเราหรอกพอเราเข้าใจตรงเนี้ยเหมือนทุกครั้งเราก็จะให้อภัยได้แล้วใจเราก็จะสบายสบายเลยหลังจากนั้นก็เลยเออล้วก็เออจริงๆราทีมันแค่คลิกนิดเดียวเองอืคำว่าเมตตาพอเราเข้าใจนะเราจะแบบสบายแล้วก็มองเขาด้วยความเห็นใจว่าเออเขาคงเหนื่อยมากจริงจริงแล้วค<ม>งอาจจะมีอย่างนั้นบ้างบางครั้งบางเวลาใช่ใช่ค่ะเราอาจจะเป็นอย่างนั้นได้บ้างในบางเวลาถ้าเรา พักผนไม่พอมันอาจจะเผลอ<ม>ทําไปบ้างก็ได้เท่านั้นเนี่ยนค่ะก็มีท<ต>่านี้ค่ะไม่เดินไปต่อการและกันอันดีที่สุดนะจริงค่ะอาจารย์บางทีเราก็ตองบอกว่าไม่รูเดินหรอไปเราอาจจะรถชนไปก็ได้นะจะไปโกดกันไงเลยอืมใช่อาจารย์ก็ไม่มีอะไรคะ่ะว่างได้อาจารย์ทัดขั น, นแขน็ง แ, แรงนะคะอ่าอ่าอ่์คุณก็เล่นเดี๋ยวที่โตเกียวเกียวโตเกียวต่อ กับน้ำตา ก, การหลวงพ่อก็ก็ก็รู้สึกเวลาผ่านไปเร็วครับหลวงพ่อก็จําถึงแม้ได้รินว่าอะไรนะครับก็เหตคุณค่าของชีวิตครับก็รู้ว่า24ชั่วโมงแต่ละคนมันมีเท่ากันแต่24ชั่วโมงของแต่ละคนมันมีค่าไม่เท่ากันก็ประมาณนั้นครับหลวงพ่อครับ24ชั่วโมงเราทําอะไรยังไง กแบบวิธีวิที่เราทําอะไรวันนี้ได้จากการการทำมันเป็นคุณค่ามไม่เท่ากันครับก็คแอบบืบใช่ครับต้องเหมือนชีวิตแต่ละคนอายุไขมันก็ไม่เท่ากันด้วยอย่างเช่นหมาแมวอย่างเก่งก็สิบห้าปีเหมือนยี่สิบชั่วโมงของหมาแมวมันมีค่ามากกว่าชีวิตของคนเพราะว่ามันอันตราส่วนเปอร์เซ็นต์มันมากกว่าแต่มองอย่างนั้นก็ไม่ถูกสทัทีเดียวเพราะคนเรามันก็จะ ตายตอนไหนก็ไม่รู้ก็ก็ประมาณนะเขาฟังธรรมะเรื่องอะไรการสร้างประโยชน์ของจิตใจอะไรประมาณนี้ครับก็จะเห็นว่าตัวเองไอ้ช่วงไหนที่ฟังบ่อยๆศรัทธาก็จะแน่วแน่ก็จะมีวิริยะในการปฏิบัติเยอะช่วงแต่ถ้าสมมติห่าไปก็จะแบบก็จะเหมือนอะไรนะประมาณประมาณนั้นครับก็อย่างน้อยก็สิบห้าจะบอกขั้นมันก็คือขั้นต่าอะครับแต่ว่ามันต้องก้า ไปสู่การภาวนาครับก็จะเห็นความบกพร่องของตัวเองเรื่องนี้ครับก็ก็จะอยากพยายามมากขึ้นครับก็ไม่อยากทําให้ที่บ้านผิดหวังด้วยครับก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ที่บ้านส่วนหนึ่งตัวเองก็ส่วนหนึ่งอะไรอย่างนี้ครับพยายามำทาให้ดีที่สุดครับก็ตอนตอนตอนนี้ก็น้องสาวเขาก็จะได้เรียนทุนไปตอบปอโทที่คอนเนลล์อเมริกาครับหลวงพออ่ออ่าดี เรียนบัญชีครับ<ม>เขาก็ไปทางของเขานะครับผมก็มอีกหน่อยผมเดา ว, ว่าเดี๋ยวอีกผมก็ดีไม่ดีน้องน้องทุกคนก็จะไปจากบ้านแล้วผมเอ้ผมก็พ่อพ่อเขาพ่อปีนี้ก็ห้าสิบเก้าแล้วครับอีกปีหน้าก็เข้าสู่วัยชราแล้วครับหลวงพ่อก็จะกลายเป็นคนไม่มีงานผมก็โอเคเวลาผ่านไปเร็วดีครับ<อ>ก็ ตวอย่างมันก็จะค่อยๆหมดไปนะเวลาเหมือนเอาสรรพิษงูยักที่เกินสารพสิ่งสารประสว์ไปทีละนิดคำเบิกเข้าไปทีละหน่อยทีละหน่อยเป็นน่ากลัวนี่ปฏิบัติทมนะตอนที่จะหมดเวลาครับมันไม่ดีบครัขอบคุณค่ะบาบที่เป็นยินดีต่อ ดี Indeed, ตนนี้อยู่แถวพัทยาเองอยู่ใกล้ๆกับพัทยาค่ะท่านอาจารย์สวัสดีค่ะอืเป็นยังไงไม่มีอะไรค่ะท่านอาจารย์ดีไม่มีอะไรดีที่สุดมีน้ยุ่งนะใช่ค่ะใช่ค่ะท่านอาจารย์มีแล้วต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีถ้าไม่มีก็ไม่มีอะไรจะต้องทุกด้วย ค่ะท่านอาจารย์พยายามอยู่แบบไม่มีอะไรนะค่ะไม่มีค่ะไม่ตาค่ะท่านอาจารย์แล้วก็อเบรขาค่ะทําให้ดีที่สุดค่ะท่านอาจารย์มีธรรมะท่านอาจารย์เป็นที่พึ่งค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ต้องโพล้มงใจได้ดีมากเลยค่ะท่านอาจารย์ลูกขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็เดวิดฝากความระลึกถึงแล้วก็บอลซองเต้เหมือนเดิมค่ะท่านอาจารย์ค่ะท่านอาจารย์อื หมอขอบคุณนะฝากขอบคุณไปด้วยค่ะพรุ่งนี้จเจอกันค่ะพรุ่งนี้ <Okay. S 2> ลูกไปค่ ะ, ะคุณหมอพระสนาหมอธรรมอ๋อทำนำ้ำพระสการค่ะพระอาจารย์ก็ยังคงรู้สึกดีอยู่นะคะพระอาจารย์แล้วก็ปฏิบัติกิจตัวเองสมงเสมอนะคระอาจารย์เพราะรู้สึกเวลาเราก็ต้องรีบแข่งกับเวลาเหมืนที่พระอาจารย์บอกแล้วก็ทำตามหน้าที่ตัวเองด้วยค่ะะอาจารย์ จะยังคิดถึงวัดตลอดนะคะอาจารย์รู้สึกว่า อ, ย, อยู่ในป่านี่ชอบ ม, มากตอนนี้รู้สึกว่าเเรารู้สึกชอบอยู่ในป่าในเมื อ, นะอมงบรรยากาศไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันใช่เราชอบความสงบแล้วอยู่ในป่าในเขาในป่าใช่รู้สึกว่าคิดถึงแล้วอยู่ในป่าแบบแต่ว่าก็เอก็ยังถ้ายังไปไม่ได้เราก็ปฏิบัติของเราสม่ําเสมอมก็ลงไปเดินชมกลมในในบ้านมันก็ก็เป็นป่าเลคะก็ทําต้นไม้เป็นป่าก็เลยเรียนทำต่อครับอาจารย์ ยังทำต่อไม่มีปัญหาอะไรครับอาจารย์โอเคไปที่คนสภาษ์ตาเท็กซัสอนี้เจอะเท็กซัสนี่เจอพายุบ่อยนิดนอเนโด้เหรอเจ้าก็กลับน้ำตาจางอาจารย์เจค่ะเจค่ะตอนนี้เป็นช่วงหน้าชอเนโดเาค่ะพายุพายุเยอะปีนี้เยอะมากค่ะก็ลุ้นลุ้นทุกวันก็ ถือว่าเรายังโชคดีอยู่ก็คุยกับสามีว่าสักวันหนึ่งก็ไม่แน่ก็ก็ต้องเตรียมใจไว้ล่วงนะ อ, อาจจะเป็นเราสักวันหนึ่งก็ได้เจ้าค่ะลูก ไ, ไม่มีคําถามเจ้าค่ะขอร่วมฟังเจ้าค่ะโ อ, อเคไปทีณ<ไ>ปออีป ม, มาคุณปีมากก็อยู่ที่ไหนนะเปิดไม่ก่อนอักราชการค่ะอาจารย์ อ, อ, อยู่ที่เจนีวาค่ะที่เจนีวาค่ะ พระอาจารย์เริ่มแรกขอพี่พี่ปุ๋มเข้ามาไม่ได้ค่ะพี่ปุ๋มที่อยู่บริกรค่ะพอาจารย์พี่ปุ่มวะปุ่มมที่อยู่เมืองอะไรนะอยู่บริกค่ะที่ว่าเลยเอเลยเออคอนเดนเต็กไปอ่ะเลยวัดธรรมปะละอีกอเกขา อ, อีกลูกหนึ่งมันะวิสาใช่ไหม อาจารย์นั่นนะคะใช่ทวิสา ค, ค่ะโทษค่ะขอโทษค่ะทุกคนท่านเ อ, อพี่เข้าไม่ได้คะ่ะก็เลยเออขอรับอาส า, ามาบอกอาจารย์พระอาจารย์อไม่เป็นไรอยู่ข้างนอกก็ได้เข้ามาไม่ได้ก็อยู่ข้างนอกเข้ามาไม่ได้เป็นแต่เสื่อมทรไม่ได้นั่นนะคะคือก็ไม่มีอะไรคะ่ะชิดนี้ก็ไม่มีอะไรไม่มีคําถามแบบพิเศษก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆแต่ยอมรับว่า อยู่ที่บ้านแล้วมันสบายความขี้เกียจมันเยอะอืมันไม่จิตใจมันไม่เข้มแข็งมันมันชอบแบบโอ้นอนดีกว่าเออดูโทรศัพท์ดีกว่าสบายออกกันเยอะสบายกว่านั่งนั่งภาวนานั่งนู่นนั่งนี่แต่พยายามค่ะพยายามทําให้ได้ทุกวันอย่างน้อยก็วันละครั้งก็ยังดีอืส่วนค่ะเออแต่อาจารย์ถามอะไรหน่อยถามอะไรหน่อยกระดิ่งกันค่ะคือมีอยู่วันหนึ่ง หนูลือบอกพระอาจารย์ไปว่าเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วมันชอบมีแสงแต่ในใจหนูรู้แหละว่าไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเพราะว่าไอ้แสงเนี่ยมันช่วยเรามันไม่ช่วยเราค้นทุกข์หรอกแต่พอมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอ่าค่ะมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือคิดเหมือนนี้แหละคิดบอกอย่างเนี้ยค่ะแสงมันแบบเหมือนใครเอาพระอาทิตย์มาส่งที่หัวก็ไม่รู้ค่ะแล้วพอเราคิดอย่างนี้ยคิดว่าไอ้แสงเนี่ยมันมาแค่กวนเราเฉยมันไม่ทําให้ค้นทุกข์หรอกเท่านั้นแหละพระอาจารย์มันเหมือนแบบว่า นั่งอยู่อ่ะแล้วมันยังไงเดียวพระอาจารย์เหมือนมันมันยกตัวเองไปอยู่อีกนิติหนึ่งอะแล้วแล้วเหมือนแบบหนูก็บอกไม่ถูกมันจะอยู่ในสูนยอากาศหรืออะไรเหมือนแบบไม่มืนไม่มีตัวตนแต่รู้ว่ามีตัวนั่งอยู่นะคะพระอาจารย์ก็เป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ตกถามว่าตกใจไหมตอนนั้นอะตกใจเพราะเราเป็นเราไม่เคยเจอแต่คิดในใจว่าเดี๋ยวมันก็หายพอลืมตาเดี๋ยวกลับมาเหมือนเดิม ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะก็มีแค่นี้แหละค่ะที่เหลือก็อมไม่มีอะไรก็นั่งแบบเฉยๆอะไรปรกกากฏึ้นยๆรู้ไปเฉยๆรนะวงเป็นของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่ล้อดับไปอย่าไปหลงไปยึดไปติดอย่าไปยินดีร้ายกับมันเนี่ยหนูก็พยายามคิดอย่างนี้นะคะแต่ว่าหนูเป็นคนที่สงสัยไงพองมันมีปุ๊บเนี่ยมันแบบมันอดไม่ได้ไงว่า มันคืออะไรมันทําอะไรมันมาทํายังไงอะไรทั้งๆที่ก็บอกตัวเองตลอดว่าไม่ต้องสนมันเป็นแค่อย่างที่พระอาจารย์ท่านพูดนะกามันก็ไปปรากฏการธรรมชาตอย่างเหมือนฟ้าละเหมือนฟ้าล่องอะไรอย่างงี้โอเคดีมากสาธุคุณหมอสุนันท์เสน่ห์มาทานีคุณหมอสุนันท์สน่ห์นรมัตการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะ วันนี้ลูกไม่มีคำถามค่ไม่มีไม่มีไม่มีเจ้าค่ะโอเคไม่มีก็ขอผ่านต่อไปที่คุณนิสาเลยคุณนิสาอยู่ที่เอเอกลับมาสักการ์ผ้ า, าจานก็ยังปฏิบัติค่ะผาจางไม่มีคำถามค่ะวันนี้ค่ะดีขึ้นไหมสเตยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหรืเปล่าดีขึ้นค่ะผ้าจาง<ม>ก็ดีขึ้นเยอะเลยค่ะพระ้าจารย์ แต่ว่าช่วงนี้ก็มีความพุกกับการคำว่ามีค่ะพ่ะอาจารย์พอ <c oughs> ดีเก็บของค่ะอีกอีกน่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วค่ะพระอาจารย์มอ <c oughs> มีอะไรก็ต้องทุกกับสิ่งที่มีค่ะพระอาจารย์แล้วแบบมันคิดว่าต่อไปก็คงจะให้มีน้อยที่สุดค่ะพระอาจารย์อันนี้เข้าใจเลยค่ะว่ามีแล้วมันทุกข์จริงๆน้ำน้อยน้ น, น, อน้อยสั้นโดด ค่ะพระอาจารย์เก็บของมาไม่รู้ว่าซื้อมาทําไมแล้วก็คิดว่านี่มันคือเงินที่เราซื้อใช่ค่ะกิเลสแล้วก็ย้อนกลับไปคิดว่าทําไมตอนนั้นเราไปซื้อมาได้ยังไงทุกอย่างมันคือความอยากทั้งนั้นเลยค่ะพระอาจารย์อืมมมัันีเข้าใจเลยค่ะอันนี้มันอยากไม่มีปัญญาเลยไม่มีฮะ <laughs> การจะได้อย่างเดียวเท่านั้น ค่ะอยากจะได้อย่างเดียวอยากได้มาแล้วขอได้มาแล้วก็ไม่ได้ใช้ค่ะก็ทิ้งอยู่อย่างนั้นนะคะอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็เลยทุกขับความว่ามีค่ะอาจารย์ตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะพยายามพยายามเจ็บไวพยายามกำจัดมันซะให้อยู่แบบไม่มีอะไรดีกว่ามีแต่สิ่งที่จําเป็นจริงๆค่ะค่ะอาจารย์คือจริงๆแล้วคนเรามันไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายเลยค่ะอาจารย์แต่ที่ผ่านมานี่คือเราซื้อจับ พิเลดของเราทั้งทั้งนั้นเลยค่ะพระอาจารย์ก็พระพุทธเจ้ามีแค่แปดชิ้นนะสมบัติแปดชิ้นอัตาบริขารมีบาตหนึ่งใบผ้าสามผืนเข็มขัดลันเอวเข็มกันได้ไม้ไม่โกนแล้วก็ที่กองน้ำมีแค่นี้พอแล้วชีวิตเราพยายามทำให้คายพระพุทธเจ้าพยายาม มีเท่าที่จาเป็นต่อการดํำรงชีพของผมอะไรไม่มีจำเป็นก็เอาไปบริจากเอาไปทําบุญไปให้มันหลดที่แรไม่ต้องมากัางวลไม่ต้องมาดูแลรักษาอะไรค่ะพระอาจาจะเอาไปบริจาคขั้นตอนการบริจาคก็ยังเหนื่อยเลยคะ่ะยังทุกข์เลยคะ่ะพระอาจ า, ารย์ต้องขนไปต้องแบบจะไปทิ้งจะไปเอาไปอยู่ดีๆจะไปทิ้งที่ไหนมันก็ไม่ได้คะ่ะพระอาจาก็ต้องรอ ค่ะใช่แล้วก็แบบหังรีไซเคิลก็ไม่ได้ใหญ่อ่ะค่ะมันก็ต้องร อ, อว่าแบบใช้เวลาค่ะอาจารย์ ม, ม, มันมันเป็นความทุกข์มากเลยคะ่ะพรอาจารย์แล้วมันก็ทุกข์ตรงที่ว่าเอ๊ะแบบมันมีความบางครั้งมันมีความเสียดายอะคะอ่ะะอาจารย์แต่พอคิดจริงๆก็แบบไม่รู้จะเอาไว้ทําไมอะไรเงี้ยแล้วเอาไปก็เอาไปไม่ได้จะฉิบไปก็แบบเป็นก็ต้องเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะพระอาจารย มันคือความทุกข์มากๆาเลยค่ะพระอาจารย์ <ừ? S 1> เข้าใจเลยแล้วคิดว่าถ้าไปอยู่เมืองไทยนี่คือแบบจะไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรยดต่ทั้งสิ้นนะคะต้องแบบนับหนึ่งถึงพัน <ừ? S 1> <laughs> นับหนึ่งถึงร้อยค่ะพระอาจารย์อ่าดีมากค่ะพอาจารย์สาธุาค่ะขอให้พระอาจารย์ทาตขันแข็งแรงนะคะอันที้ก็นองพีเคผู้เก่งไนะนี่ผู้เก่งคนเยอะไหมต่างชาติเยอะไหม น้องกล่าวนวัตการนอกอาจารย์เจ้าคะ่ะช่วงนี้ก็เยอะอีกเจ้ า, าค่ะอาจารย์แต่ว่าลูกไม่ค่อยได้ไปเส้นป่าตองเท่าไหร่เจ้าค่ะจะจะบอกว่าหลีกเลี่ยงเจ้าค่ะอาจารย์ทางนู้นจะแน่นอะไรอย่างเจ้าค่ะอืมเยอะมากแต่ใ น, นในเมืองก็อยู่ในเมืองเลยใช่เจ้าค่ะลูกอยู่โซนฝั่งในเมืองเจ้าค่ะอแต่ก็ไม่ได้อยู่ในกลางเมืองทีเดียวนะเจ้าค่ะอาจารย์อยู่<ม>โซนอรือว่าข้างนอกอะไรก็เออ คือนี้อยากจะขอโอกาสกลับเรียนถามท่านอาจารย์เรื่องเวทนาเจ้าค่ะพรอาจารย์พุธที่แล้วเจ้าค่ะลูกแอบตั้งสัจจะอธิษฐานไว้เจ้าค่ะว่าถ้าไม่จบการสนทนาธรรมเนี่ยลูกจะไม่ไม่ขยับอะไรเจ้าค่ะถึงแม้ว่าเวทนาจะมาอะไรเงี้ยทําได้เลเจ้าค่ะพรอาจารย์เพราะว่าคือจนจนแบบว่าคุณหาถามคุณถามแล้วก็ท่านอาจารย์ตอบจบเลยค่ะเจ็บมากเจ้าค่ะพรอาจารย์คือเวทนามาหนักมากจนร่างกายกระตุกไปทีนึงเจ้าค่ะ แต่ว่ามันอยู่ด้วยความเครียดอย่างนี้เจ้าค่ะพอาจารย์ก็คือพยายามใช้คําบริกรรมอยู่เจ้าค่ะแล้วก็กพิมพ์นาก็เอามาอยู่ความความอยากที่ให้อยากให้หายเจ็บอ่าเจ้าค่ะพอาจารย์รุนแรงมากแบบเวรเว น, นสติแตกเวรแบบคือเวรเวรวุ่นวายเวรอยู่ข้างในเจ้าค่ะพอาจารย์แต่อาศัยตรงที่ว่าเราแอบตั้งสัรจจะอธิษฐานกับพระอาจารย์ไว้แล้วว่าจะไม่ขยับเปลี่ยนท่าอะไรอยู่เจ้าค่ะแล้วก็ใช้ขันติแล้วก็สัรจจะตรงนี้เจ้าค่ะพะอาจารย์ จนจบรายการเจ้าค่ะถึงจจะขยับอ น, นี้เค่ะน่าจะทนได้นานที่สุดแล้วไหมเจ้าค่ะตั้งแต่นั่งเจ็บมาอะไรยังต้องพยายามทําบ่อยๆให้มันชำนานก็ค่ะก็คือถ้าถ้าลูกยังอยู่ในขั้นของการฝึกเจริญสติก็ยังยังฝึกในเมื่อของเวทนานี้ได้ใใควบู่ไปด้วยจ้าจเราสามารถอยู่กับทุกเวทนาได้ทุกครั้งทุกคราวหรือไม่ยังไม่ได้ยอยู่แบบ ปัญญาก็อยู่แบบสติไปก่อนจะค่ะพ่ใช้ทั้งขันติแล้วก็สัจจะด้วยเจ้าค่ะอาจารย์ว่าเรารเราตั้งสัจจะไว้แล้วไม่ได้นะยอะไรเงี้ยอาจารย์เปลี่ยนค<า>่าไม่ได้หรืออาจะเป็นปัญญาไปด้วยก็ได้ถ้าเรารู้ว่าเราหนีมันไม่ได้เราต้องอยู่กับมันอย่างให้มันหายไม่ได้อย่างร้อทุกข์เราก็อย่าไปอยากร้อนอใจให้มันอยู่กับมันมันก็เป็นปัญญาในตัวใช่ไหมจะค่ะแต่แต่เจ็บมากเจ้าค่ะอาจารย์ร่างกายลูก นั่งหรือเรากระตุกไปทีนึงเจ้าคะเพะปกติกระตุกผู้แบบวก็จะขยับเลยใช่ไหมเจ้าคะ่ะจะเปลี่ยนท่าอะไรนี่ยเจ้าคะ่ะอันนี้ก็ติดตัวสัจจาแล้วก็ขันติใช่ไหมต้องฝึกเป็นยังงบ้าเราไม่มีความสัตย์ทกสถานกับมันอยู่กับมันได้อย่างสบายค่ะก็คือไม่ไม่ต้องกลัวมันไม่กลัว<า>ลมันไม่ไม่อยากให้มันหายปล่อยให้มันมาปล่อยให้มันไปตามเรื่องมันเราพร้อมที่อยู่กับมันให้ได้เจ้าค่ะเดี๋ยวจะจะฝึกต่อไปเจ้าค่ะ ไพศาลคะแล้วก็อ่าตัวสังขารจะใครด่าถามไพศาลว่าสังขารเนี่ยมันมีอยู่สังขารที่เป็นรูปใช่ไหมจ๊ะคะแล้วก็สังขารที่เป็นนามสังขารที่เป็นรูปก็ร่างกายเนี่ยแต่มันเป็นภาษาพระเพราะนี่เารู้รูปไม่ใช่ไม่เรียกว่าสังขารรูปรูปเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขารคือความผิดตรุงแต่มอ๋อจ้ะคะ ง่ายๆคือเหมือนกับว่าสิ่งที่จับต้องได้เป็นรูปเนี่ยก็คือเป็นตัวสังขารที่เป็นรูปประหารนี้ใช่มครัอาจารย์รูปประหารนี่ยคือร่างกายเขอนการทันทีสองในขานะ้ารูปในขาน้าก็คือแต่รูปในรูปในอายตนะก็หมายถึงสิ่งที่เห็นด้วยตาเนี่ยก็รูปเหมือนกันออรูปภาพเนี่ยรูปภาพเนีเห็นเราต้องเข้าใจเข้ามาแล้วเราพูดถึงเนื้ออะไร ถ้าพูดถึงฐานห้ารูปก็คือร่างกาย ถ, าถ้าพูดถึงรูปในอยนายตนะรูปสิยงกินนัดก็คือสิ่งที่เห็นด้วยตาเรียกว่าเป็นรูปสิ่งที่ได้ยินด้วยได้ได้หูก็เรียกว่าเสียงเสิ่งที่สัมผัสด้วยด้วยจมูกก็เรียกว่ากลิ่นอันวูนี้มันก็เป็นอนิจจ์ทุกขั้งหน้าตาทั้ง โอเคแล้วไม่ยึดไม่ติดวันใดวันหนึ่งก็จะต้องมีการชิ้นสุดลงนะะมีการำำมีดัก<น>เป็นธรรมดานะะโอเคจะพยายามพิจารณาให้บ่อยๆใช่ค่ะอาจารย์ขอบคุณพระคุณเปย่างสมใช่ค่ะสาธุจ้ะ ต, ตอนนี้ก็พยายามพิจารณาทุกการได้พิจารณาให้ชํานาญเพราะมันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เราบังคับมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้ มันจะมาก็ต้องต้อนรับมันอย่าไปกลัวมันอย่าไปหนีมันนะคะพยายามสอนเดี่ยเจ้าค่ะอาจารย์ว่าในเมื่อเราชอบชอบสุขเราก็ต้องต้องชอบทุกข์ด้วยเนี่เจ้าค่ะรักสุขก็ต้องรักทุกข์ด้วยต้องทั้งสองอย่างเหมือนเรียนสองด้านอะไรย่างนี้เจ้าค่ ะ, ะจะจะรับได้ทั้งสองะยายาอะไร่ง น, นี้เจ้าค่ะพยายามปันนี้ก็ก็พยายามจะฝึกอยู่เจ้าค่ะอาจารย์อย่าไปเกลียดมันยิ่งเกลียดยิ่งทุกข์ถ้าไม่ถ้ารักก็จะชอบถ้าชอบมันแล้วก็จะสุข โอ้มาแล้วได้กินของชอบเหมือนคนที่ชอบคนที่ชอบกินของเผ็ดๆเนี่ยพอได้กินโอ้ยคนที่ไม่ชอบกินเผ็ดเนี่ยเจอกันเป็นแค่เผ็ดเดียวนี่เหรอฮอลาอาจารย์พูดถึงิของกินนี่แบบว่าได้ถึงขงนมเลยเจ้าพระยานก็ครบ ส, สองอทาทิตย์แล้วเจ้าค่ะที่ที่ไม่แตะวันนี้คุณแม่แฟนก็เอาขนมให้เจ้าค่ะก็เลยบอกแฟนว่าเอายังงดอยู่นะอะไรอย่เงี้ยไปยังงดอยู่เจ้าค่ะแต่ว่าอ่าวันนี้ฟังทำท่านอาจารย์ใช่ไหมเจ้าค่ะก็ คิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะกลับมาทานขนมต่ออย่างนี้ได้ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์อาจารย์บอกว่าก็ทานไปเถอะทั้งน้ทาทั้งอะไรที่แบบให้อยู่ในมือเดียวแต่ลูกจะใช้วิธีจะองใช้วิธีว่าท่านที่อร่อยอยากกินมากก็คุกเล ย, ยลองนี้เจ้าค่ะจะรองหรือเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ให้ติดในรถที่ติดน่าจะติดในรถใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งรถทั้งลูกเลยโอเคต้องแยกแยะเจ้าค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองคลุกดูเจ้าค่ะอาจารย์อะไรชอบวา่าอันไหนอร่อยว่ากันเลยน่ากินว่าจะคลุกเอาของวันของของขาวมาคลุกกันเลยได้แค่เดียวชอบนึ่ ง, ช อ, งชอบถึงกาแฟเทใส่เข้าไปในในข้าวคลุกกับแกงเลยก็ได้กาแฟเลิกแล้วเจ้าค่ะอาจารย์เดี๋ยวมันก็เข<ม>้าไปไไดเดี๋ยวมันเข้าไปคลุกกันในท้องอยู่ดีไม่ใช่หรือเนี้ยไหมของทั้งหมดมันจะไปไหนอ่มันก็ไปอยู่ในท้องอยู่ดี แล้วเรกินเพื่อร่างกายเราก็ไม่ต้องไปแยกมันร่างกายมันไม่เดือดร้อนร่างกายมันมันจะอาไปหมันอะไรไงร่างกายมันก็จะคลุกอยู่ดีเราเราเป็นคนไปแยกเองจิตเราไปแยกเองใช่ไหมวันก่อนแปดไปนั่งกินข้าวด้วยบอกเองข้าขอโทษนะลูกคงเกยอยากไปทานเราบอกวามกินเน่ยเอามาคลุกๆกันอย่าไปทํารางกันคนจิตก็อยากนะว่าเราบ้าพอดีเขาอยากไปนั่งทานข้าวด้วยไงเจ้าคามอาจารย์เพราะว่างที ต้อรู้จักกาลเทศะเดี๋ยวก็เชิญไปงานแต่งงานไปกินเลี้ยงคุกต่อหน้างานนี่ย่เดี๋ยวมันไม่เหมาะสมนะบองอย่างต้องรู้จักกาลเทศะด้วยต้องดูว่าสิ่งไหนที่โลกเขา mm hmm. เขาลังเกียดเขาไม่ลังเกียดเราไปทําในสิ่งที่โลกเขาลังเกียรดแล้วการของคนที่เขาเขาจะลังเกียดเราไปด้วย อาจารย์ไหเสียงหายไปไม่ตอบนะคงจะคงจะค้างไปที่คุณอ้อมต่ออ้อมโอเมเลยนามสกันค่ะวันนี้ใช้มือถือเลยใช้ทุกวันค่ะพาอาจารย์ใช้จอตั้งแนะบก่อนใช้จอนอนนี่มีที่วางค่ะ ม ไ, ไม่มีค <m h? S 2> ำถามคะ่ะไม่มีคำถามนะโอเคแสดงว่าหลุดพ้นแล้วใช่ไหมยังค่ะอาจารย์ค่ะ <laughs> โอเคไปที่คุณแนนต่อคุณแนนอุดรก็ระมดักกา ร, พระพะอาจารย์ไม่มีคำถามค่ะ ม, <laughs> มันคุณมันทิกามันยังไงมันทิกาได้ยินไหม <laughs> จากนมัศ ก, การเจ้าขับผ้าจารย์นมีอะไรไหมก็ผลจากการปฏิบัตินะคะพระอาจารย์ก็คือในการเดินแะในการเดินและการนั่งนั้นก็ก็โอเคนะคะพระอาจารย์เพดัะนั้นลูกอยากขอคําแนะนําความเมตตาจากพระอาจารย์ในเรื่องของการยืนเจริญสตินะคะพระอาจารย์แล้วก็การนอนค่ะหลักการว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง ตัวใหญ่าการนอนที่จะไม่ใช่เป็นวิธีเจริญสติเพราะมันจะหลับง่ายเจริญในสามวิริยาบทเดินยืนนั่งยืนมันก็จะยืนได้ไม่นานเดี๋ยวมันก็เมื่อยได้นั้นก็ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นิยมแค่สองวิริยบทเดินกับ น, นั่งแต่ถ้าจําเป็นจะต้องยืนเพราะไม่มันไม่มีที่เดินไม่มีที่นั่งก็ต้องยืนเช่นไปขึ้นรถเมล์แล้วต้องยืนหนรถเมล์อย่างเนี้ย ก็ใช้ท่าเริ่มเจริญสติไปกันนะพุโทโธพุโทโธในท่ายืนกันนะ ก, ก็กลับมาบ้านที่ว่าบอกว่ารายงานพระอาจารย์วันนั้นบอกว่าไม่ห่วงต้นพลิกกับต้นมะเขือแต่พอกลับมาบ้านก็ถูกแบบตทดสอบพระอาจารย์ก็คือตัวมดมดขันนะครับพระอาจารย์มันจะขึ้นต้นทุบลูกป ท, ทุกต้นหมดเลยใจสลดเหมือนกันก น, นะพระอาจารย์ ดูดูดูแล้วก็น้ำตาไหลแต่ว่าพอพอวันนี้บอกว่าเราจะไม่ทําร้ายเขาเนอะว่ะอาจารย์นะลูกจะไม่ทํำร้ายเขารู้จักจแบบมันก็มียาอยู่เลยนะคะแบบาวางให้เขาตายนะวางยาให้ตายเนะี่แต่ไม่ทําเพราะว่าพรุ่งนี้นะั่นเป็นวันเกิดของลูกก็คิดว่าเออลู้จะไม่ทําแล้วก็เลยขุดต้นพลิกเอามาปลูกย้ายที่เขาใหม่ค่ะพระอาจารย์นั้นเหนื่อยหน่อยสักหน่อยนึยนยนงเพราะว่าต้นพลิกเขาประมาณสักเจ็ดสิบ ต้นได้นะพรับอาจารย์แต่ว่าคงจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่านั้นแรกขอความเมตตาจากอาจารย์ว่าการทําอย่างนี้นั้นรูปไม่ได้ไะจองวินกับตัวมุสิมใช่ไหมเจ้าคะเราไม่ได้ไปทำลายเขาเราเพลินแต่ต้องการปกป้องสมบัติของเราก็ทําได้อย่างที่ได้แอย่าไปทําให้เขาเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่าไปทำลายรับ เจ้าขับอา <Okay. S 2> จาย์ก็นั่งเลยนะคะอะมันไม่ปล่อยวะปล่อยให้หมดไปกินไปหมืเรื่องยไม่ค่ะพระอาจารย์เพราะว่าคุณแม่บอกว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นเป็นที่อยู่ของเขาว่าว่าตอนนี้มันแล้งมากเลยค่ะพระอาจารย์ล <c> ูกเคยลงบ่อแล้วหรือบอกเพื่อจะเอาน้ําเอาน้ําไปรดก็ขนสาวน้ําไปก็คือตักจากบ่อแล้วก็ไปไปรดแล้วก็เขาแต่ต้นพริกนั้นมีลักษณะเย็นดังนั้น มดจะขึ้นเลยค่ะพระอาจารย์นนี้มันก็ทยอยตายก็ถามว่าร้องไห้ไหมร้องไห้วันแรกที่กลับมาเห็นก็เอาน้ำตาซึมเหมือนกันแต่พอวันนี้ก็โอเคไม่ถึงทำตนของพระอาจารย์ว่าบาปผา่นจะตายเป็นไปเป็นมดถ้าทำลายเขาอโอเคค่ะสาธุอ่าจุป ไ, ไ, ได้สุ้นิ์สุนินทานต่อมาเวลัน พะอาจารย์เจ้าค่ะนี่ก็ได้ฟังสบายดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้ฟังคําสอนพระอาจารย์แล้วมันมันมันถึงใจอะคะ่ะมันเหมือนกับที่ใจตัวเองคือจารนาไว้ตัวเองก็แก่ขึ้นทุกวันต้องพยายามปฏิบัติต้องเร่งความเพียรแล้วก็มีสติให้มากขึ้นอ่าทุกวันนี้เวลาปัดก็รู้สึกว่ามันมันนิ่งได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอะไรกับอะไรไม่ค่อยไม่ค่อยมีอารมณ์อะค่ะพระอาจารย์ เวลาใครจะทํามันก็อาจจะมีอารมณ์หน่อยแล้วก็หยุดแล้วก็รู้สึกว่ามันก็แค่นี้แหละเดี๋ยวก็มันมากไม่ได้แล้วแล้วเราก็ปล่อยปล่อยมันหมดเลยค่ะพอาจารย์อมันเป็นทุกข์ทั้งถ้าเราไปยุ่งมันก็จะทำให้เราทุกข์ค่ะพระอาจารย์มันก็เลยกลายเป็นว่าเราไม่เอาอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นมค่ะพระอาจารย์คือมันมันไม่มันไม่สนใจอะไรอ่ะค่ะพระอาจารย์เราก็ทําหน้าที่ของ แล้วก็สังเกตว่าค่ะสังเกตว่าการพยายามบรรณมิตรทุกท่านก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะคะเรียนมาแล้วก็เป็นฟอร์มเดียวกันหมดเลยเพื่อปล่อยว่าต้องหาทุกอย่างต้องทุอย่างดี่เรไปยืนไปถือไปติดนี่มันเป็นทุกข์ทั้งหมดถ้าปล่อยแล้วเราก็จะโล่งเราก็จะสบายจริงค่ะอาจารย์แล้วก็เวลาที่สมาธิอย่างเงี้ยรู้สึกว่าสามารถ ยมรู้สึกว่ายมเหมือนกําหนดในพุทโธพุทโธพุทโธหรือว่าถ้ามันไม่สงบมากก็ท่องเป็นพุทธัทงสลาณังคชามิไม่นานไม่นานเท่าไหร่ไม่นานเหมือนแต่ก่อนนะคะ <S <S มันก็ที่งลงไปได้มากขึ้นแล้วก็เห็นรายละเอียดในการเข้าไปทีลานิดทีลานิดแล้วก็เห็นความเจ็บปวดความอะไรอย่างเงี้ยเราก็มองมันสักพักมันก็หายไปแล้วก็เราก็กลับไปอยู่ที่คําบริกรรมหรือลมหายใจ แล้วมันก็มันก็นิ่งอะค่ะพระอาจารย์ได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นค่ะพระอาจารย์ใช่ถ้าเรายังปล่อยไม่ได้เราก็ต้องใส่คำบริกรรมการส่วนไปเพื่อให้ใจเราปล่อยวางให้เป็นธรรมะค่ะอาจารย์ค่าค่ะก็ก็ปฏิบัติอยู่ทุกวันแล้วพอเข้ามาฟังทำจากพระอาจารย์มันมันเหมือนมันโดนใจตัวเองที่เราเคยคิดมาตลอดว่าเราต้องทําเราต้องทําเราต้องทํา แล้วมันเหมือนมีกำลังใจอ่ะค่ะต้องกราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆที่คอยเป็นแรงบันดาลใจให้โยมแล้วก็เรจำนาบิดทุกท่านด้วยนะคะที่คอยเหมือนกับเติมเติมเชื้อฟืนไฟว่าให้เราต้องรีบทํารีบทําวันเวลามันถอยลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนี้เป็นวันทายหรือเปล่าจริงๆก็มันมันติดมากขึ้นค่ะพระอาจารย์กราบขอบพระคุณพระอาจารย์มากๆนะคะพระพันธเจ้าหลวงการสนทนาทำเป็นมงคลอย่างยิ่ง เราเราจะได้ก <Kristin. S 1> ำลังใจได้ปัญญาได้ความรู้ค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุไปที่กรุงเทพบางของกรรมนรมาสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้มีคำถามค่ะถ้าเราถ้าสมมติว่าเราตั้งใจอดอาหาร เพื่ออุดมการบางอย่างของเราจนกระทั่งทําให้ร่างกายตายไปจะถือว่าเป็นบาปจากการฆ่าตัวตายหรือว่าเป็นบาปหรือเปล่าคะคือถ้าตั้งใจจะทําให้ร่างกายตายมันก็เป็นการฆ่าตัวตายถ้าไม่ตั้งใจมันก็ยังไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายเป็นอยู่ที่เจตนานการฆ่าเน้นต้องมีเจตนาที่ต้องการจะทําให้สิ่ง อีกอย่าคือร่างกายตายถ้าเป็นเจตนาแล้วก็ทําให้มันตายก็เือว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้าเจตนาของเราคือเพื่ออุดมการณ์ของเราแต่ว่าตัวตัวเราไม่ได้อยากตายแต่เพื่ออุดมการ์ยอมตายก็อาจจะไม่ใช่การฆ่าตัวตายใช่ไ้มคะไม่เกี่ยวไม่คนละเรื่องกันอุดมการ์ก็เรื่องอุดมการ์เรื่องการทําให้ร่างกายตายมันก็เป็นเรื่องของการทําให้ร่างกายตายอย่าไปเอาสองประเด็นมาผูกกัน ันเราประเด็นงานค่ ะ, ะแสดงว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้ว่าเราทําอย่างนี้แล้วจุดเ อ, อจุด<ร>หมปาปลายทางของเราคือตายเอเราก็หยุดนะ <c oughs> อย่าไปให้มันตายถึงเวลาต้องจรินก็ถึงขีดหนึ่งก็ต้องหยุดหยุดหยุด <c oughs> หยุดอดแล้วก็บรรวงต่อไปได้บรทรทุกด้วยวิธีอื่นก็ได้มันจะงไม่จะต้องมาบรทรทุกในการอดข้าวตายอย่างเดียวอืม เข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์หนูมีคําถามแค่นี้คะ่ะเขสาใจสาธุประเด็นอยู่ที่ตรงว่ามีเจตนาหรือเปล่าแล้วทําให้มันตายหรือเปล่าอันนี้ถึงจะเรียกว่าฆ่าตัวตายครับครับแต่ถ้าเราอดไปแล้วบางกามันมันตายขึ้นมาโดยที่เราไม่มีเจตนาหให้มันตายอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายบางทีอาจจะเป็นเรื่องรู้เท่าไม่ถึงการว่าร่างกายเราบางทีมันอาจจะอ่อนเพลียก่อนที่จะรับ กับการอดได้แล้วมันก็ตายแบบกระทันหันขึ้นมาที่เราไม่ไม่สามารถจะแก้ไขมันได้อันนี้กไม่ไม่ใชนว่าเราเป็นการฆ่าตัวตายอย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเราอดอาหารเพื่อเพื่อความเพียนเพื่อเพิ่มความเพียนในด้านปฏิบัติธรรมแต่ว่าเราไม่รู้ว่าร่างกายเรารับประมาณนี้ไม่ไหวแล้วตายไปอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจใช่ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ฆ่าตัวตายค่ะเอ ไม่รอบความและไม่ฉลาดนั่นเองตามเกินกว่ากําลังที่ร่างกายมันจะรับได้เจก็ต้องคอยสังเกตใช่ไหมว่าเวลาใช้การอดอาหารนี่ก็ต้องคอยสังเกตวะาอดไปแล้วทําให้ร่างกายเจ็บข้าได้ป่วยขึ้นมาหรือไม่ลรงตาต้ก็คอยดูตั้งไกลอดจะกระทั่งท้อ ง, งเสียเลยแลวลาเรากระมังทานอาหารเนี่มันไม่ย่อยเลยทานอะไรเข้าไปมันก็ถ่ายออกไป อันนีน้ก็ต้องก็ต้องยุตินึอผอ่อน่ไปอดมากกว่าต้องลดกลับมาให้ร่างการเป็นปรับความสมดุลของมันก่อนไม่ค่อยอดหมายต่อค่ะพระอาจารย์เข้าใ จ, จ, แ, จแจ้งแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะโอเคอันนี้คุณยศสวัสดีตอบกอตมาเหมื อ, อ, ม อ, อนกันเป็นไงที่เวลาฝากใครมารายงานตัวฝากคุณ<า> ฝากคุณดิษยาค่ะดิศาอันนี้คุณดิศยาก็ฝากให้วันนี้ <มา S 1> ใช่คะ่ะ<า><า>ดิษยา ก, ก็เลยฝากมาบ้มางคะ่ะว่าไม่สบายเจ้าค่ะพระอาจารย์<อ>ไม่สบายป่วยอยู่คะ่ะไม่น้องไม่มีเสียงคะ่ะ<อ> <laughs> ค่ะพรอาจารย์ก็วันนี้ไม่ได้มีคําถามอะไรคะ่ะแต่ว่าที่จะเล่าให้จพระอาจารย์ฟังคือล่าสุดหนุกตรวจข้อสอบเด็กแล้วมันก็มันต้องใช้ความอดทนมากคะ่ะพระอาจารย์ในการตรวจเพราะเด็กห้าสิบคน สีิบกว่าห้าสิบคนเนี้ยนั่งตรวจแล้วเขาลอกกันอย่างเงี้ยค่ะเราเราเราผ่านมาก่อนชีวิตนักเรียนเรารู้เนี่ยพราอย่างเงี้ยเรียกว่าลอกมันก็มีความมันก็มีความรู้สึกว่าเราหวังดี ก, กับเขาแหละค่ะพระอาจารย์เราก็พยายามจะคิดว่าปีหน้ า, าจะสอนวิชานี้ยังไงให้เด็กไม่ทําอย่างนี้อีกแล้วก็แล้วก็พยายามจะวางใจเป็นการที่สุดว่าเราจะตัดคะแนนทั้งหมดเราก็ดูไม่เมตตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์มันเจ็ดตีกันอยู่ แล้วอารมณ์มันเริ่มขึ้นเรื่อยๆ เ, เหมือนกับเราหงุดหงิดอะคะ่ะสุดท้ายพอคุยโทรศัพท์กับคุณแม่เราเล่าเรื่องนี้คุณแม่ฟังเล่าเล่าไปก็พูดเองว่าแต่พระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันก็แยกแตกสลายแยกไปเป็นธาตุขันเออช่างวันเถอะพระอาจารย์คะคือสิ่งที่พระอาจารย์สอนมันมันเหมือนมาล้างทุกอย่างที่มันหงุดหงิดมาสี่ชั่วโมงในการทำตรงนั้นนะคะพระอาจารย์ก็เลยจะบอกว่าธรรมะเป็นเป็นของเย็นจริงๆคะ่ะพระอาจารย์แค่คิดว่า เดี๋ยวเราก็สลายไปแล้วอะคะ่ะสิ่งที่มันจะตามเราไปมันคือใจนิสัยใดๆก็ตามที่มันอยู่ที่จิตที่พระอาจารย์บอกว่าเป็น invisible man นะคะ mm hmm. หนูก็ต้องรักษาความเป็น invisible man แล้วก็ที่พระอาจารย์คำถามของคุณหมอพิเชษดีมากเลยอะคะ่ะที่หนูรู้สึกชอบตรงที่พระอาจารย์บอกว่าน้ำขึ้นเฮลิปตต่างอะคะ่ะ mm hmm. ตอนนี้หนูยังแข็งแรงดีอยู่หนูเจอครูบาอาจารย์ด้วย แล้วหนูก็มีทรัพย์มากพอที่จะทําทานได้ด้วยอืมเอื้อทุกอย่างอะค่ะก็ต้องร<ม>ีบทําให้ดีที่สุดก็เตือนตัวเองได้ดีค่ะพระอาจารย์<ม>ค่ะเท่านี้ค่ะพรอาจารย์ค่ะขอบพาอาจารย์ทักแข่แข่งแรงเจ้าค่ะไปที่คุณอาจารย์สายทิพย์ใช่ไหมออาจารย์สายทิพย์มืเอาเลขหัวนำหน้าตรงนี้ลองนิดหน่อยเลขอะไรที่นําหน้าหมา<แ>ยอะไร<อ> อ๋อหนูเอาเข้าไปชมซูมอีกงานหนึง่งเลขเลใบประกอบ ล, ละะอกเป็นรับปากหนูมันค้างอยู่คะ่ะง ท, ที่ว่าจะมาให้หว ย, ยวก็ไม่เอาเลขใบประกอบค่ะอุ้ยตายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยววันหลังไปเอาออกค่ะหนูลืมไม่เป็นไรหรอเหมันสายไปแล้วอ่าหวยที่ออกมาตัดไปก็พระอาจารหน เลอลืมค่ะพระอาจารย์ลืมไว้ใหญ่อยากตอนแรกมีคําถามจะถามพระอาจารย์ว่าจะอยู่กับคนที่แบบไม่มีมารยาทไม่มีกราเทศะได้ยังไงอืมมันก็ขึ้นมานั่นอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราเลยได้คําตอบเองเลยค่ะตอนแรกเขียนคําถามไว้ถามพระอาจารย์แล้วสักหน่อยตายแล้วเราลืมค่ะอยที่ความอยากของเราปัญหาอยู่ที่ความอยากของเราค่ะเพอพอพระอาจารย์เรียกชื่อปุ๊บ อุ้ยได้คําตอบได้คําตอบพอดีเลยว่าเอ้ยเราเป็นเพราะเราอยากมีเองอะไรเงี้ยค่ะลืมคําสอนพระอาจารย์ยลืมไปหลายอย่างเลยค่ะเผลอแล้วก็วันนี้มีคําหลายๆอย่างที่แทงใจด้วยค่ะพระอาจารย์เช่นเราเรากินเพื่ออะไรอันนี้ก็หลงพอพระอาจารย์ถามคุณก็อุ้ยจริงด้วยเผลออยากกินของอร่อยแล้วก็หรือว่าใครเป็นคนกินอะถามนองมาถามมับ้างแต่ใครเป็นคนกิน ใจมันอยากใจไม่ได้กินกับร่างร่างกายคนกินมากร่างการ่างกายมันก็ไม่รู้มันกินอะไรมันกินได้หมดแต่ใจผู้ที่ไม่ได้กินกลับไปจู้จี้จุกเฉินกับเรื่องของกินใช่ค่ะพอพระอาจารย์สอนอีกขั้นแล้วก็อุ้ยอุ้ยโดนอีกแล้วเราก็เพิ่งแบเบฮ้ยเดี๋ยววันนี้อยา ก, ก น, น, นั้นๆอันนี้ก็เผลอกลับมาอีกแล้วค่ะพระอาจารย์ <S <S แล้วก็เรื่องเวลาที่เหลือน้อยอะไรเงี้ยค่ะ แต่ท้ายสุดก็เหมือนเราไม่ไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ไม่ตั้งใจปฏิบัติอย่างอย่างจริงจังค่ะพระอาจารย์เหมือนเดี๋ยวคาเดี๋ยวหย่อนก็ก็ได้รู้ตัวค่ะพระอาจารย์ก็เหมือนก็ตายก็ตายกับเต่าค่ะเหมืนก็ตายวิ่งหยุดถอยวิ่งหยุดถอยทําแบบเต่าดีกว่าถึงมันจะช้าหน่อยแต่ก็ทําอย่างไม่ไม่หยุดหย่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปรับใหม่ให้แบบมีความจริง จริงใจมาแบบนี้ค่ะตมีการต่อเนื่องคือว่าเป็นภารกิจสําคัญที่เราไหวละเม้นไม่ได้ทุกวันต้องมีการกระทำํำแต่แต่หนูก็ยังนั่งสมาธาิทุกวันแล้วก็ปฏิบัติทุกวันอยู่ค่ะพระอาจารย์แต่ว่าอาจจะแบบเหมือนเหมือนไม่ไม่ค่อยตั้งสติมากกว่าค่ะ ม, มันเลยทําให้นั่งสมาธิได้แบบนิ่งแต่ว่าไม่ไม่ลึกค่ะพระอาจารย์ แล้วก็ด้านจิตใจ ก, ก็ลืมลืมว่าอยากตอนนี้ก็โอ๊ยตายแล้วเดี๋ยวกลับมาเป็นเต่าคะ่ะพระอาจารย์ถอยๆกลับมาเป็นเต่าค่อยๆเดิน <Okay. S 2> ค่ะวั <Okay. S 2> นนี้ไม่มีคำถามคะ่ะพระอาจารย์ <Okay. S 2> ตัว <Okay. S 2> วันนี้มาแบบรู้ตัวค่ะสาธุทางดินไปต่อที่บนจุบจุบโกเบ นมรดการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคือหนูเข้าใจที่พระอาจารย์สอนแล้วเจ้าค่ะหนูได้คําตอบที่พระอาจารย์บอกว่าถ้าจะปฏิบัติเนี่ยอย่างน้อยจะต้องรักษาสิ่งแต่ให้ดีหนูได้คําตอบแล้วเพราะว่าสองอาทิตย์ก่อนนะคะหนูย่อหย่อนแล้วหนูก็ดันไปดูซีรีส์ค่ะพระอาจารย์พอดูซีรีส์จบปุ๊บคราวนี้สันดันเดิมอัตราตัวตนมันขึ้นมาเลยเจ้าค่ะ Mm hmm. คือหนูหนูหนูรู้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่ซีรีส์ทั่วไปเนี่ยเขาจะไม่สอนให้เรายอมหยุดเย็นส่วนใหญ่มันจะเป็นแนวแบบเธอต้องสู้นะทางไอ้ทางนน้นเขาทํามาอย่างนี้เราจะต้องมีการตอบโต้กลับไปอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ซีรีส์มันจะเป็นแนวนั้นนะคะ mm hmm. แล้วพอเป็นอย่างเงี้ยหนูรู้เลยว่าพอดูเสร็จเนี่ยก็คือจบเลยนะคะหนูก็ไม่ดูอีกเพราะว่า ตลอดสองปีที่ผ่านมาหนูไม่เคยดูซีรีส์เลยเพราะตั้งแต่หนูนับถือศีลแต่อะไรเงี้ยมาแล้วค่ะเพิ่งมาดูเนี้ยค่ะในในช่วงสองปีแล้วพอพอเป็นอย่างเนี้ยกลับมานั่งสมาธิค่ะมันมันมันมันมันนั่งไม่ได้เลยจ้ะค่ะมันมีสัญญาเกิดขึ้นก็คือภาพอะไรที่เราดูในซีรีส์มันขึ้นมาตอนที่เรานั่งสมาธิแบบมันไม่หยุดถึงแม้เราจะบริการพุทโธก็ตามมันก็ไม่ มันก็ยังขึ้นขึ้นมาอีกค่ะเจ้าค่ะจนแล้วมันก็ทําให้หนูเกิดอัตราตัวตนก็คือจากเดิมที่หนูอยู่กับพระอาจารย์หนูหนูหนูปล่อยวางอะไรทุกอย่างเวลาเจอทําไปทํางานแล้วเจอคุณป้าอะไรพวกนี้ที่เขาพยายามจับผิดอะไรเราเนี่ยหนูก็จะปล่อยวางขอบคุณค่าขอโทษนะคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลายเป็นว่าเราก็ดันไปขึ้นเสียงค่ะเขาก็เองค่ะในทั้งทัที่เราไม่เคยได้ได้แบบทําแบบนี้ใส่เขาอ่ะค่ะ พอมานั่งคิดก็รู้สึกรู้สึกขิดแล้วก็รู้สึกรู้สึกแย่นะเจ้าค่ะก็เลยพยายามที่จะมันนั่งสมาธิเหมือนเดิมแต่มันก็ทําไม่ได้พยายามรู้สึกตัวตลอดเวลาพุโทโธพุโทโธมันก็ไม่ออกมาหายก็ตอนที่นั่งสวดมน์นะคะพระอาจารย์สองชั่วโมงสวดมนมบ ท, ที่เราไม่เคยได้สวดเลยอะคะ่ะพระอาจารย์สวดไป เป็นอักขระตามตัวนั่นไปค่ะมันถึงจะหายแล้วก็กลับมานิ่งแต่ก็ไม่ได้เท่าเดิมเจ้าค่ะหนูก็เลยรู้เลยว่าเนี่ยถ้าคนไหนก็ตามอ่ะถ้ายังติดดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ไม่มีทางที่จะแบบทำสมาธิได้หรืออะไรอย่างนี้เลยค่ะหนูเข้าใจความหมายของพระอาจารย์ได้ดีเลยค่ะพระอาจารย์อันนี้เลิกดูใช่ไหมเลิกดูแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่กลับไปดูอีกแล้ ว, ลวค่ะเพราะมัน มันเสียดายสิ่งที่เราทำมานะคะพระอาจารย์แล้วหนูกปฏิบัติก็ไม่ใช่ว่าจะดีอ่ะพอมาเจอแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวอ่ะมันทุกอย่างมันคืนกลับไปที่จุดเริ่มต้นใหม่หมดเลยพระาาอาจารย์เข้าใจแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ตอนนี้ค่ะทำละเว้นกามาคุณห้าอย่าไปเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสนะเจ้าค่ะ ใอ้คุณจบไปอยู่ที่ก็อยู่ที่ญี่ปุ่นนานคเบค่ะอยู่ยนานคือหนูไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นตลอดนะคะพระอาจารย์หนูแต่งงานแล้วหนูก็มาอยู่ที่ญี่ปุ่นห้าปีแล้วจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ไต้หวันอีกหกปีแล้วก็ย้ายกลับมาญี่ปุ่นอีกห้าปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ปเป็นอย่างเงี้ยค่ะแฟนเป็นคนญี่ปุ่นนะเจ้าค่ะแฟนเป็นคนญี่ปุ่นเจ้าค่ะเราต้องย้ายไปทางานตามตามหน้าที่ของเขานี่เจ้าค่ะ ก็เพิ <newly jour ing> <inter Hob art> mm ่งจะย้ายมาที่เนี่ยอีกรอบนึงแล้วอยู่ยาวก็คือตั้งแต่ปี2018นะคะเจ้านะเจ้าค่ะแล้วตอนนี้ก็นับได้ก็ประมาณ5ปีแล้วเจ้าค่ะได้กลับมาเมืองไทยบ้างบ้าก็ได้กลับถ้าถ้าได้กลับนี่ก็คือหนูตั้งเป้าไว้ว่าจะกลับประมาณปีละครั้งเจ้าค่ะที่หนูได้รู้จักพระอาจารย์นี่ก็คือประมาณ2ปีที่แล้วนะเจ้าค่ะที่แบบได้กลับไปแล้วไปทําธุระที่พัทยาแล้วก็ก็ชวนคุณแม่ไปวัดยาน่ะเจ้าค่ะ แล้วถึงได้เจอพู้อาจารย์เจ้าค่ะ okay. บ้านเดิมอยู่ที่ไหนอยบ้านเดิมหนูเป็นคนจังหวัดลำปางเจ้าค่ะพามาเมืองไทยก็ต้องไปที่ลำปางไปเยี่ยมแม่เจ้าค่ะก็ปีที่แล้วมั้งเจ้าค่ะทีห่หนูกลับไปแล้วหนูนั่งรถไฟดีเล็กลงที่เชียงใหม่แล้วหนูก็ไปปฏิบัติธรรมที่วัดลำเปิงเจ้าค่ะอ แต่ตอนแต่ใจตอนนั้นหนูก็อยากมาที่วัดยาณนนเจ้าคะ่ะแต่มันต้องหลายต่อนะคะอืมเ้วยใสะดวกก็ได้เหมือนกันนะอืเจ้าค่ะืโอเคใจหนูก็อยากจะไปเมืองไทยอีกนะเจ้าคะแต่ตอนนี้เงินเยนมันข่าอ่อนค่าเหลือเกินคะ่ะเจ้าค่ะคระอาจารย์รอให้มันสูงอีกนิดนึงได้มันต้องมาก็ได้ยี่ห้อนะก็ปฏิบัติได้นะเจ้าค่ะ <Okay. S 2> ขอบพระคุณพระอาจารย์ที่เมตตาสั่งสอนนะคะหนูเข้าใจลึกซึ้งเลยค่ะแล้วเรื่องหินทับย่า น, น่ะเจ้าค่ะ<ม>หนูเข้าใจดีเลยค่ะพอเราเปิดหินออกอย่ามันแบบแข็งแรงมากเลยเจ้าค่ะกลัวจะท<ม>ําได้<ม>ค่ะโอเคต้องคอยทํามันไว้ก่อนหน่ยถึงแม้มัน จ, จ ะ, จะไม่ตายกะอ ย, ย่าถึงแม้มันจะไม่ตายก็อย่าไปอย่าไปยกหินหออกคอยก่อนหน่อจะพยายามเจ้าค่ะอืม ขอบคุณเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์มีธาตุขแข็งแรงนะเจ้าคะ่ะอ่าขอบคุณคุณปุ้ยนะครับเสมปุ้ยทำงานอยู่เลยกลับนะ้งคะพระอาจารย์คุณคุณปุ้ยสบายดีพระอาจารย์สบายดีไหมคะก็เรื่อยๆนะ่ะแต่ว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีท <laughs> ี่นี่มันมันร้อนมาแค่สองวันแล้วมันก็ ฝนตกอีกแล้วพระอาจารย์อืออากาศไม่ค่อยจะดีฝนมันจะต ก, เ ด, ก เ, เ, เดี๋ยวมันก็จะเย็นเดี๋ยวมันก็จะร้อนมาสวันแล้วมันก็อย่างเนี้ยค่ะแต่โยมก็ยังปฏิบัติเหมือนเดิมพระอาจารย์อืมแต่ว่ามันอาทิตย์เนี่ยที่ผ่านมาก็มีอะไรยุ่งยุ่งเกหน่อยเดี๋ยวก็ยุ่งวิ่งไปกาลลาดมัางอะไรบ้างอย่างเนี้ยค่ะแต่ก็โยมก็ปฏิบัติสวดมนต์สวดมนต์นะเจริญจิตภาวนา น, นั่งสมาธิ แต่วันเมื่อวันศุกร์ยมลืมไปว่าทางเมืองไทยเขาเขามีวันหยุดไงคะยมเปิดมาตอนที่พระอาจารย์กาลังจะจบพอดีเลยหว่าวันนี้วันอะไรทำไมพระอาจารย์มายมก็งงเมื่อสุกที่แล้วเทศสวรรค์ช่วงบ่ายสองโมงเลใช่ยมลืมค่ะยมลืม <15 S 2> ว่าม <15. S 2> ันเป็นวันหยุด<ม>ใช่ยมลืมไปไงว่า อ๋อมันเป็นวันหยุดวันอะไรนะพืชมงคลหรืออะไรนะฮะอ่าวันเพื่อนจะมงคลค่ะยมลืมงั้ทุกวันก็ตามตลอดอดีโอเคไม่มีอะไรนะมีอะไรปะไม่มีค่ะเพียงแต่ว่าทุกวันพระเนี่ยยมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ยมจะปวดหัวพระจันทอ๋อมันเป็นอุปทานเนี่ยไหมอ๋อบูงแต่งจิตบุงแต่งนะอ๋ะอค่ะ โยมกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะที่สั่งสอนโยมค่ะคโยมจะโยมตั้งจิตอธิษฐานไว้แล้วว่าโยมจะเดินทางธรรมค่ะพระอาจารย์อดีที่สุดทางธรรมนี่ดีที่สุดใช่ค่ะโยมเห็นด้วยค่ะเพราะว่ามันมันสุขสบายที่สุดมันไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกังวลอะไรกับใครเลยไม่ต้องแบบโอเคมันแบบอาจจะอยู่คนเดียวมันจะดูเหงาเหาแต่ว่า พูดถึงถ้าเราเราสวดมนต์ไหว้พระเราไม่มีเวลามานั่งคิดเลยอ่ะถ้าปฏิบัติไปเรื่อยๆมันจะไม่เหงาอยู่คนเดียวสบายที่สุดจริงค่ะมันมันมันไม่มันต้องไม่ต้องมาทุกมาร้อนไม่ต้องมานั่งเตรียมไม่นุ่นเตรียมไม่นี่อยู่คนเดียวสบายจะตายนึกจะสวดมนต์นึกจะทําอะไรนึกจะไปไหนก็ไม่ต้องไปรายงานใครอืมที่นี่มันสงบค่ะค่ะพระอาจารย์ อยอกขอให้โยมได้เข้าถึงธรรมนะพระอาจารย์โอเคขอให้ขอใอยพวกนี้เห็นเรื่นู้นเรื่นี้นะโยมอะไรโยมบอกกับพรอาจารย์ว่าโยมไม่อยากจะซื้อแล้วเซ็งเลือกซื้อได้กันมันแบบเวลาเราสวดมนต์เยอะๆแล้วมันรู้สึกเซ็งอ่ะเออเราซื้อมันไม่ถูกแล้วเรารู้สึกเซ็งเลือกได้ก็ดี ขอบคุณครับอาจารย์ขอให้พระอาจารย์ท่านแข็งแรงนะคะอายคุณนัทจากคุณต้าเจนอยู่ที่ชลบุรีถามธรรมสถานพระอาจารับค่ะชลบุรีครับมีอะไรไหมวันนี้ก็ก็มีมีเรื่องสอบถามค่ะพระอาจารย์คืออย่างที่เวลานั่งทําสมาธิค่ะเออ ที่พระอาจารย์บอกว่าพอเรานิ่งถึงจุดหนึ่งอ่ะคือประโยชน์ของสมาธิคือการได้อุเบกขาใช่ไหมคะพระอาจารย์คราวนี้เนี่ยหนูรู้สึกว่าหนู่นั่งยังไม่เคยรู้สึกว่าได้ชานนะคะแต่ช่วงที่เรานั่งทําสมาธิแบบสม่ําเสมอค่ะคือรู้สึกว่าเวลามาใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยอารมณ์กระเพื่อมเนี่ยมันน้อยอะค่ะพระอาจารย์ ม, มันเหมือนมันนิ่งขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนที่เหตุการณ์เดียวกันเวลามี อีเวนเข้ามาแบบเนี้ยก็จะรู้สึกว่าในใจมันกระเพื่อมมากกว่าค<ม>่ะ อ, อาจารย์อย่างนี้<ม>คือถึงแม้ว่าจะนั่งโดยยังไม่ลึกถึงขั้นชานแต่แบบเหมือนได้ความอุเบกขามานิดแบบนี้นี่คือเป็นไ ป, ปนได้ไห<ด>ยคะพระอาจารย์ได้เป็นได้ก็ของความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นก็เป็นไม่ต้องไปกังวลเรื่องตํารามากเลยเวลาปฏิบัติก็ดูผลที่เกิดจากการปฏิบัติด้วยเป็นหลัก ถ้ามันทาให้ใจเราเย็นลงทําให้ใจเรามีความทุกข์ควา ม, มวุ่นวายใจน้อยราก็ถือว่ามันมันใช่แล้ ว, ลวมีการปฏิบัติได้ผลแต่จะได้ระดับฌานนั้นฌานนี้หรือไม่ก็ไม่ต้องไปสนใจแล้วแต่ค่ะะอาจารย์ค่ะก็ก็ปฏิบัติพยายามปฏิบัติทุกวันไม่อยากให้หลุดจากกระแสธรรมค่ะพระอาจารย์กลักวกลัวกระแสโลกดึง เป้าหมายก็คือให้เราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างให้ได้แม่ไปทุกขกับอะไรอืมก็ขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะอ่านธรรมมาพระอาจารย์ทุกเช้าไว้ไว้กระตุ้นตัวเองค่ะอ่าดีโอเคทำต่อไปนะค่ะขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์่อาไปที่แม่น้องหลินต่อแม่น้องเหรินมีอะไรไหมพระอาจารย์ได้ยินหนูไหมเจ้าคะได้ยินจ้ะ ค่ะพระอาจารย์ก็ของหนูก็ปฏิบัติเรื่อยๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าร่างกายมีปัญหาก็ไม่สามารถจะไม่ฟังธรรมหรือไม่ปฏิบัติได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าต้องตื่นจะเช้ามาเหมือนชาร์จแบต น, นะคะพระอาจารย์คือต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ฟังธรรมก็นั่งสมาธิอะค่ะพระอาจารย์ก็หนูก็เลยมองัวเองว่า เหมือนเป็นโทรศัพท์หรือไม่ก็รถยนต์มันต้องเติมน้ํามันต้องชาร์จแบตอย่างเงี้ยเจ้าค่ะพระอาจารย์คือต้องทําไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็เคยคิดว่าถ้าหนูนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมามันก็เหมือนมีความมันเคยมีความรู้สึกเอาหรอยังยังตื่นมาแล้วยังหายใจอยู่ก็ยังไปเรื่อยๆอะ่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์คือก็ไม่ได้กลัวที่ว่าจะต้องร่างกายจะเสียไปจะจะกลัวความตายก็ไม่ได้กลัวความตายค่ะพระอาจารย์ก็ เป็นอะไรก็เป็นไปเพราะว่าด้วยที่ว่าอวัยวะหนูก็เหลือน้อยลงอย่างนะะี้ค่ะพระอาจารย์แต่หนูก็ดีใจนะคะพระอาจารย์ที่ได้เจอครูบาอาจารย์นะคะพระอาจารย์ของหนูก็เลยบอกว่าหนูเจอของแท้ค่ะได้เจอพระอาจารย์ของแท้เพราะว่ามันเหมือนสงฆามภายในใจอะค่ะพระอาจารย์ <pitch. S 1> ที่มีครูบาอาจารย์ที่ท่านดับกิเลสได้มาช่วยเหมือนทําสงฆามอย่างเนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์กับกิเลสอย่างเนี้ยค่ะ มันก็เลยดีใจอะค่ะพระอาจารย์เพราะว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่ามันมีอารมณ์แบบบางทีแบบอารมณ์โกรธอะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาพอได้ฟังทำจากพระอาจารย์มันก็เลยได้สติแล้วก็ปัญญาในความคิดมันก็เลยไม่กล้าที่แบบจะฉะกับอะไรคือมันได้คิดก่อนว่ามันมีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากกว่าโทษ อ, อย่างเงี้ยค่ะถ้ามีประโยชน์ก็ค่อยบอกแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ก็คือเงียบผ่าพระอาจารย์ ก็เลยได้ใช้ในชีวิตประจําวันแบบนี้ค่ะในร่างกายที่เหลือ น, น้อยลงเจ้าค่ะพระอาจารย์พย okay. ายามทําให้มากแล้วก็เราก็ใกล้ความตายเฉียความตายมาหลายรอบ น, นะพระอาจารย์คะ่ะตอนแรกตอนแรกหนูว่าปลายเดือนนี้หนูจับผ่าแบบดึงเส้นประสาทใช่ไหมเจ้าคะ่ะแต่ว่าต้นเดือนทั้งโควิดแล้วก็ประจําเดือนหนูไม่เคย มันก็ถล่มมาเยอะหนุ่ก็เลยบอกว่าถ้าหนูจะผ่าบาดเยานี้หน้าโอกาสจะน้อยแล้วเจ้าขาพระอาจารย์ที่จะได้ผ่าอีกรอบเราะมันอันตรายแล้วก็ไปผ่าอย่างอื่นแทนอย่างเงี้ยเจ้าขาพระอาจารย์หนูก็เลยก็เลยหนู่ก็เลยแบบว่ายังไงก็ได้ไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรเจ้าขาเพียงแต่ทดลองเฉยพระอาจารย์อยู่ไปเท่าที่ยั <c oughs> มันจะให้เราอยู่นะเจ้าขาพระอาจารย์โอเคสาธ เป็นมาเีาาาพุทธการลง่ายๆก็ยังปฏิบัติทุกวันค่ะหลวงพ่ออธิษฐา น, น ไ, ดได้ไปวันหรือเปล่าไม่ไม่ได้เดีย๋ยวอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไปไปไปนะ่ะไปค่ะหลวงพ่อชักง ง, งนะไปนะคะไปถวายข้าว คะอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กลับมาปฏิบัติที่บ้านอค่ะทางเราเป็นเอกชนมันวันสุกไม่ได้หยุดเลยนะมันมันสุกยังไปทํางานอยู่ค่ ะ, ะถ้าราชการก็ถึงหยุดกันใช่ใช่ค่ะหนูก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปค้างวัดค่ะหลวงพ่อศุกร์ุกร์ที่แล้วสุกที่แล้วไปถวายทานอย่างเดียวค่ะหลวงพ่อ แต่ว่าก็กลับมาม า, มาทํามาทําปฏิบัติเองที่บ้านค่ะก็ดีมีอะไรไหมวันนี้ก็ไม่มีอะไรค่ะหลวงพ่อก็ยังปฏิบัติอยู่ปฏิบัติอยู่หนูแค่แค่สรุปสิ่งที่ที่หนูทำอะค่ะหลวงพ่อว่าถ้าถ้าถ้าสติจะเข้าสมาธิ ด, ด, ดีมันต้องตัดความคิดทุกสิ่งทุกอย่างออกจาก ในในใจเราแล้วก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองแล้วก็อยู่กับเครื่องอยู่แล้วก็ปิดหูปิดตาเหมือนเหมือนมันมันจะกลับมาดูตัวเองอ่ะค่ะหลวงพ่อประมาณเนี้ยค่ะแล้วมันก็เวลาเข้าไปมันจะแนบสนิทประมาณอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อมันหนูอธิบายไม่ถูกอะคะ่ะเวลามันเข้าไปให้ดูใจเราก็ ที่ทีใจเราก็คือที่เกิดทุกข์แล้วที่ดับทุกข์ก็อยู่ที่ใจเราค่ะถ้าเรากิดความทุกข์ถ้าเราดูใจปั๊บเราก็จะรู้รู้เหตุแล้วเราก็จะ ด, ดับความทุกข์ได้ทันทีค่ะเหมือนพยายามส่องดูว่ามันในจิตในใจเราอมันมีอะไรแล้วถ้าเรารู้เหตุที่มันทําให้เราไม่สงบหรือว่าเป็นทุกข์อย่างนี้ยค่ะก็พยายามที่จะไปตัดมันตรงนั้นอ่าใช่เพราะไม่ ภายนอกไม่ได้เป็นปัญหาคนนู้นคนนี้เขาไม่ได้เป็นเป็นเหตุที่ทําให้เราทุกข์เหตุที่ทำให้เราเต้อหยุดใจเราอ ย, นะอยู่ที่ความอยากขอาค่ะหลวงพ่อหนูก็เลยจะพยายามทําทําแบบนี้ยให้มันให้มันอะไรอะชํานานให้มันพยายามเ้าเรียก อ, อะไรการมองข้างในมากกว่ามองข้างนอกค่ะหลวงพ่ อ, อ, พ อ, อ, อเรโดูกิเลสอันนี้ทุกข์แล้วกิเลสตัวไหนมันทําให้เราทุกข์อ่ะ ค่ะหลวงพ่อก็ยังมีตรงโทสะค่ะหลวงพ่อยังมียังมีอยู่ค่ะหลวงพ่อแต่พยายามตัดพยายามตัดว่าเหมือนเราโทสะก็เกิดจากความอยากของเราอยากได้อี่อยากได้นี่พอไม่ได้ก็โกรธข่้นมาเหมือนเหมือนที่หลวงพ่อสอนว่าเป็นเป็นส้มจะไปให้เป็นกล้วยอย่างเงี้ยมันนไม่ได้มันไม่ได้ฉังนั้นถ้าไม่ให้ใจเรา เจ็บปวนเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อราะมันก็จะพยายามที่จะตัดตัดได้ไวหยุดมีความอยากของเราอย่าไปอยากให้เขาเป็นนามที่เราต้องการเขาเป็นกล้วยแล้วก็เขาเป็นกล้วยไปค่ะหลวงพ่อพอพอมันคิดได้แบบเนี้ค่ะหลวงพ่อมันก็จะตัดแล้วใจเราก็สบายอย่างเงี้ยค่ะหลวงพ่อแล้วมันก็มันก็จะอยู่ได้ค่ะหลวงพ่อมันมันกลายเป็นว่าเหมือนเหมือนพยายามจะลด เขาเรียอะไรลดลดลดความที่มันจะเป็นทุกข์อะค่ะหลวงพอ่อเหตุที่มันจะทําให้เราไม่สบายใจ อ, อย่างเนี้ยลดกิเลส ล, ลงคอนทุก็น้อยลงไปค่ะก็พยายามทําแบบเนี้ค่ะหลวงพอ่ออทําไปต่อไปนะค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อค่ะ อ, ะอคุณจันนดา อันนี้อยู่เซียาช้าแล้วอยู่ที่กรุงเทพเปิดไม้ได้ไหม <Okay. S 1> อันนิ้วโอเคนมัสกับนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนี้อยู่กรุงเทพค่ะค่ะช่วงนี้ก็ประมาณพยายามรับใช้ผู้คนพาคนไปใส่บาตรขับพระอาจารย์ใส่บาตรกับพระอาจารย์นะคะทางเข้าไปเนะี่ย ใช่ค่ะพระอาจารย์พย า, ยาเป็นผู้รับใช้เป็นนักบูเช่นเป็นไกดไก ล, กล์ไทยธรรมะ <c oughs> ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ก็อยากให้เขาได้มีโอกาสนะค่ะพระอาจารย์เผื่อเขาจะได้อะไรดีๆอยากไปบางคับเขาว่าแล้วกันนะอยาไปให้เขามาด้วยคํำยินดีของ่าเองก็ถ้าแบบว่าใครเอ่ยปากอยากมาลูกก็จัดให้เลยค่ะพระอาจารย์อล ม, มข้าวให้ด้วยค่ะพระอาจารย์ ขงข้าให้เขาใส่บาทด้วยอตอนนี้ก็พยายามก็ฝึกเรื่องอพยายามลดอัตราตัวตนมานะอะไรแบบนี้ค่ะผา้อ า, ารย์ก็ลองอดูค่ะผูอาชญ์ประมาณนั้นนะคะ า, าทตัใ ห, ทตให้เป็นทำตัให้เป็นเหมือนพากิลิ้ว่ะเพราะว่าผ่า น, นผ่านมารายะนึ่งเนี่ยจากที่แบบเราคิดว่าเราเก่งแล้วเรา เจอเรื่องอะไรแย่ๆแล้วเราทำอะไรแบบทางทำอะไรไม่สำเร็จแล้วเราก็อยู่แบบอยู่แบบว่าในอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ไม่คิดไม่เคยเป็นอย่างนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วมันมันเริ่มเห็นอะไรดีๆเยอะค่ะพระอาจารย์ก็แล้วเข้าใจอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยอยู่แบบไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีไม่ต้องอะไรหงมันมันก็เบาดีเหมือนกันค่ะพระอาจารย์เก่งแล้วมันจะต้องคอยคอยรักษาความเก่งไปเรื่นะ ใช่ใช่ค่ะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะมันต้องรักษาอะไรเยอะแยะเลยค่ะพู้อาวุโสพอไม่ต้องเก่งไม่ต้องดีไม่ต้องอะไรใครมองว่าใครมองแบบเรายังไงก็ได้ได้หมดเลยค่ะพู้อาวุโสลูกได้หมดเลยอะลูกรู้สึกได้หมดสบายสบายมากเลยค่ะพู้อารย์วุโมลูกก็เลยเบบใช่ใช่ค่ะพู้อาวุโสก็ไม่ได้ยึดอะไรเลยค่ะไม่ยึดอะไรเลยค่ะพู้อาวุโสได้หมดค่ะ ใครจะชี้หน้าเราว่าเรากระเจอกไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยก็สบายมากเลยค่ะพระอาจารย์มไม่แน่อะไรเงี้ยค่ะดีดีมากค่ะพระอาจารย์โอเคค่ะแล้วก็ถ้าจเออตอนนี้ก็ถ้าบางทีเราเห็นกิเลส ข, ของคนอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ห่างห่งออกมาใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะแบบเราไ เหมือนกับไฟอ่ะถราวราเป็นไฟเราก็อย่างเข้าไปใกล้มันค่ะพระอาจารย์เราไม่ได้ลังเกตเข้าเพียงแต่ว่าเรารู้ว่าธรรมชาติเขามันทําอยู่ใกล้เขาเราเดี๋ยวจะทำให้เราเจ็บตัวเราก็อย่าไปอยู่ใกล้เขาใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ค่ะนอกจากว่ามันมันหีเลียงนเรียงไม่ได้ก็ต้องอยู่ไปก็ต้องมีความเมตตาต่อกันท่านจะต้องมีการประสาก น, กนกันทําอะไรร่วมกันก็ต้องให้ความเมตตาอยู่กับเขาไป ค่ะค่ะแล้วพักนี้ก็แบบก็จากเดิมที่เป็นคนตรงตรงตรงอยู่แล้วหลังๆก็ก็ตรงเข้าไปอีกค่ะพระอาจารย์ก็แบบว่าลูกลูกไม่อยากอ้อมค้อมแล้วก็ไม่อยากจะใช้เล่ห์เหลี่ยมมันยาสาถายอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ไม่พยายามจะลดลาเลิกไอ้พวกนั้นไปก็พูดตรงๆเลยค่ะพระอาจารย์บางทีตรงกันไปก็ไม่ดีเหมือนกันเพราะมันอาจจะนับไม่ได้ <laughs> ค่ะพระอาจารย์ต้องมีอุบายวิธีพูดบ้างให้มันให้ให้มันมีเสแล้วฟังแล้วมันมันมอนไม่ไม่เสียงเก่าทําให้เขาสติเงินใจไม่เกินไปค่ะค่ะพระอาจารย์ได้ค่ะพระอาจารย์ค่ะโอเคได้ค่ะลูกพยายามต่อค่ะพระอาจารย์จะไปให้ถึงที่สุดเท่าที่จะไปได้เลยค่ะพระอาจารย์นะจุนนะค่ะขอบคุณน้อมครับคุณทันสุดาเนี่ยชื่ออะไร ใช่ไหมทันสุตางอะไรเนี้ยอาจารย์ฝนทันสุตาค่ะพอดีให้ลูก<อ>เขา้าอฝนเนี่ยขอนะโทษค่ะพอดีหัขับรถอยู่แล้วให้ลูกชายช่วยเข้าซูมให้แล้วเขาไม่ได้เปลี่ยนหัวค่ะอืมไม่ไมไไมไเป็นไรเดี๋ยวนี้<ถ>ทุกวันพูดกับลูกชายตอนสองทุ่มเขาเรียนแบบนะคะก็เลยแบบกลัวเข้าก็เลยต้องเข้าระหว่างทางแบบเนี้ยค่ะ คือหนูฟังเอที่กัลยาณมิตรทุกท่านที่พูดมาก่อนหน้านี้ค่ะพระอาจารย์แล้วหนูรู้สึกว่าถ้าพระอาจารย์มีนักเรียนในห้องห้าสิบคนนะคะหนูคงจะอยู่ที่ลําดับห้าสิบอะค่ะเพราะว่าเหมือนที่อาทิตย์ที่แล้วที่หนูกราบเรียนพระอาจารย์ไปว่าหนูติดเกมใช่ไหมคะแล้วก็หนูก็ให้เสดจัดลบทิ้งอ่ะค่ะคือหลังจากนั้นหนูก็โอเคหนูก็เข้าไปล่าลาในกลุ่มแนะว่าหนูจะไปปฏิบัติธรรมแล้วหนูไม่เล่นเกมแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอเสร็จบอกแล้วก็หนูก็ลบลบทิ้งเลยค่ะ ก็ตามที่ให้ไว้แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ได้เข้าไปอีกเลยแล้วก็ไม่ได้ดาวน์โหลดกลับมาด้วยค่ะแล้วก็ก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ค่ะกลับมาเริ่มต้นการฝึกสติเหมือนเดิมใหม่อะไรแบบนี้ค่ะเพราะว่าก็นั่งสมาธิแล้วมันอย่างที่บอกพอเราหลงไปทางรูปเสียงกีรตโผล่ทพะค่ะมันก็เลยทําให้การนั่งสมาธิมันไม่ค่อยสงบหนูก็ใช้วิธีการสวดมนัสวดมนสวดมนัสวดม นานๆนะคะแล้วก็สวดไปเยอะๆแล้วก็มาสวดอิติปิโสเท่าวายุอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมานั่งสมาธิแต่ว่ามันก็ยังยังนั่งได้ไม่นานนะคะพระอาจารย์นั่งได้แค่แป๊บๆอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยใช้วิธีฝึกสติทุกวันกลับมาเบสิกเหมือนเดิมอะคะ่ะพระอาจารย์ต้องเพิ่มสติให้มากขึ้นเหมือนถึงจะนั่งได้นานขึ้น ก็รู้รู้ตัวค่ะพระอาจารย์ก็เลยก็เลยกลับมาเหมือนเดิมกลับมาโฟกัสที่เรื่องของสติก่อนนะค่ะว่าว่าคือตื่นเช้ามาก็พุโทโธพุโทโธเลยอค่ะแล้วก็ถ้ามีจังหวะที่รู้ตัวค่ะไม่ว่าจะตอนยืนรอลิฟต์อยู่ในลิฟต์ยืนรถไฟฟ้าตอนขับรถนะคะก็ก็จะใช้พุโทโธเข้ามาพยายามเพื่อที่จะพยายามไม่คิดเรื่องอื่นนะคะ mm hmm. พอที่จะไปคิดเรื่องอื่นหรือว่าเรื่องไปในทางที่จะทําให้ใจเป็นทุกข์นะคะก็จะ จะตัดเลยค่ะตัดแล้วก็ตัดมาที่พุโทโธเลยค่ะพระอาจารย์สักสักป๊บหนึ่งค่ะก็ก็เลิกคิดหยุดคิดแล้วก็กลับมาโฟกัสกับสิ่งที่ทําอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมค่ะพระอาจารย์นี่ยความสติไว้สตินี่สำคัญที่สุดนะถ้าไม่มีสติแล้วทําอะไรก็ไม่สําเร็จ น, น ะ, ะก็จําจําคําที่พระอาจารย์สอนว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสติเป็นเหมือนรอยเท้าช้างในป่าค่ะสาคัญที่สุดหนูก็เลย ททนกับสติที่สุดเลยค่ะเพราะว่ า, าสตินั่งสมาธิยังไงก็ ก, ก็ก็ไม่ไม่ได้นานเลยค่ะพระอาจารย์รู้ตัวเลยอ่ะก็อุเบกขาก็ลดลงมันไม่ค่อยมีกำลังอ่ะค่ะพระอาจารย์อก็เหือเหมือนเหมือนคุณจุ๊บอไปดูอะไรล้วก็แบบเหมือนกันนะคะพอมันกลับมามันมันยาก่ะคะพระอาจารย์ว่าเวลาไปไปไปแล้วค่ะก็ไม่อยากจะ เสียเวลาที่ทําไปอะค่ะพระอาจารย์แล้วแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่หนูว่าจะถามพระอาจารย์ต้องนานแล้วเพราะว่าวันก่อนมีที่ชาวต่างชาติตอนนั้นที่หนูไปฟังธรรมน้ากุฏิอะค่ะแล้วแล้วแล้วแล้วมีชาวต่างชาติก็ถามเกี่ยวกับเรื่องการทําทานนะคะที่ว่าเขาทาทานแบบเหมือนว่าทําเลยเซว่าเขาทําไปพันนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็มีความสุขมากเลยพอครั้งต่อไปอะค่ะพอเขาทําทานลดลงเหลือประมาณสักแบบ ห้าร้อยหรือร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้ใจมันรู้สึกเหมือนเป็นทุกข์อะค่ะพระอาจารย์มันทําไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะพระอาจารย์เนี่เมื่อมันก็เป็นเราก็ทําในสิ่งที่ดีเหมือนกันนะคะพระอาจารย์ก็เหมือนกับเวลาที่เราเป็นเศรษฐีแล้วอยู่ในดีเงินเราถายไปครึ่งหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาใช่ไหมเพื่อเราเคยมีความสุขใจกับเงินระดับหนึ่งพอต้องมาได้เงินอีกระดับหนึ่งมันก็จะรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมา ทางท่านที่ยังได้เงินอยู่อันนี้ก็เหมือนกันเมื่อเคยทำบุญพันหนึ่งแล้วอยู่ดีก็มาทําบุญห้าร้อมันก็เลยรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยมนาะมันก็เลยทำให้รู้สึกไม่มีความสุขเหมือนกับตอนนี้ทําบุญพันหนึ่งท่านเองแต่มันก็ยังได้บุญอยู่ค่ะก็เป็นแบบหนูก็รู้สึกแบบอย่างนั้นเลยค่ะพระอาจารย์พอจะทําน้อยลงแล้วรู้สึกแบบมันรู้สึกไม่ค่อยดีอ่ะค่ะแต่ก็ต้องใช่เหตุผลถ้าถ้ามันมีน้อยแล้วเราทําน้อยไปอนี้ไป อย่าไปยึดติดว่าจะต้องทํามากเท่าไหร่ถ้าทําได้ก็ดีถ้าทําไม่ได้ก็ดีก็ต้องลดลงมาก็ลดลงมาดีกว่าไม่ทำค่ะค่ะออหรือบางทีนะบางทีในที่สุดถ้าเราไม่มีเงินเลยก็ต้องไม่ทําเลยก็ได้แล้วก็ไปทําบุญอย่างแทนต่อได้ไปทำบ<ะ>ุญที่เกิดจากการภาวนาแทนก็ได้ค่ะคือการภาวนาค่ะพระอาจารย์ที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิการภาวนาค่ะได้บุญ ด้วยเหมือนกันเหรอคะอาจารย์คือเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรอ่ะคะ่ะแบบอย่างเงี้ยก็เป็นการถ้ายังไม่ได้ถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้ผลก็ยังไม่ได้บุญแต่ถ้าจิตสงบนะมันก็จะได้บุญที่เกิดจากความสงบเวลาเร า, า, าทําเวลาทําบุญเราก็ทําใจให้สงบด้วยการละกิเลสคือความตเนี๊ยความโลภลงไปในระดับหนึ่งใจเราก็มีความสุขเกิดขึ้น แลวลานั่งสมาธิทำใจให้นิ่งหยุดกิเลสหยุดความโลภได้มันก็ทําให้ใจเรามีความสุขขึ้นมาได้อันนี้ก็เป็นบทเเหมือนกันค่ะหนูเข้าใจแล้วคะ่ะพระอาจารย์ก็เดี๋ยวเอาทิตย์นี้ยคะ่ะจะตั้งใจกลับมาปฏิบัติเพื่อที่จะนั่งสมาธิกลับมานั่งสมาธิให้ได้เหมือนตอนก่อนหน้านี้อีกทีหนึ่งนะค่ะพระอาจารย์แต่ก็น้องใจเย็นๆนะอย่าไปรีบแล้ว<ม>อย่าไปหวังผลมันขึ้นอยู่กับเหตุของเรา อาเหตุเราดีผลมันก็จะดีก็<อ>ต้องมาพยายามบำรุงเหตุให้มันได้ได้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วผลมันก็จะตามมาเองนะซึ่งซึ่งเหตุก็คือสติใช่ไหมคะพระอาจารย์ใช่าชาใชถูกต้องหนูหนูจะจําอันนี้ไว้ค่ะพระอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะเออ่เน้นการฝึกสติให้ให้มากๆเลยะค่ะพระอาจารย์ที่มันอยากจะได้ผลพอไม่ได้มันก็อาจจะทําให้ท้อขึ้นมาได้ค่ะ ใเนี่ยพยายามกับผลให้มันพยายามอยากอยู่กับเหตุกับสติให้มีการสติใายในมากๆนะผลมันจะตามมาเองค่ะค่ะพระอาจารย์ก็หนูมีคําถามแค่เนี้ยค่ะพระอาจารย์อสาขออนุญาตนะคะเจ้าค่ะพระอาจารย์อาทิมากลับพระอาจารย์กันแลมวันนี้กลับถึงบ้านแล้วใช่ไหมกลับถึงบ้านแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็กลับมาหนูก็มารอเข้าสู่มาค่ะพระอาจารย์เขาว่า กลับกลับกลับเขาว่าคุณมีคนเดียวนะรคนเดียวค่ะเก้าขวบค่ะอาจารย์แก้วขวบหวนเลยจะแต่ใช่ค่ะอาจารย์ก็ก็เดือก็อย่างที่บอกค่ะก็ยังตัดตัดอะไรไม่ได้ก็พราะคนนี้ค่ะก็อยากจะให้กล้วยมันมันเป็นส้มเนี่ยค่ะพระอาจารย์อันนี่ยค่ะคืออยากให้กล้วยเป็นส้มอะค่ะก็คนเนี้พยายามตอนนี้พอจะเปลี่ยนได้อยู่ก็หวังว่าค่ะอาจารย์ก็ก็หวังว่าคือ จะไปบังคับมาทางนี้มากก็เดี๋ยวกลัวจะกลายเป็นไม่เอาเลยอะไรอย่างนี้ยค่ะก็ต้องให้เขาเห็นว่าแม่ปฏิบัติยังไงอะไรแบบนี้ค่ะนี่ก็ต้องลองดูแล้วถือก็อมีสัจธรออ ก, ก็อยากจะลองทองําเ อ, องค่ะใช่เจ้าค่ะพระอาจารย์ก็ต้องใช้วิธีแบบเนี้ยค่ะทําทําให้เขาเห็นแล้วก็ให้เขาได้ยินสิ่งที่แม่คุยหรือได้ยินสิ่งที่แบบเ อ, อท่านอื่นพูดถึงอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็ให้เขาค่อยๆรับรู้เอาเองนะค่ะพระาอาจารย์อจบับ อย่าไปบังคับกันอย่าไปบังคับกันเพราะถ้าไปบังคับเดี๋ยวเกิดเขาแบบต่อต้านขึ้นมาต่อต้านแล้วยุ่งเลยได้ไม่เอใช่ค่ะพระอาจารย์ก็คงต้องคือต้องเพราะว่าเขาโตแล้วค่ะบางทีเด็กรุ่นนิ่มก็พูดยากค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องค่อยๆค่อยดึงเขามาค่ะพระอาจารย์โอเคดีมากค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์พระอาจารย์ท่านแปลงแนะเจ้าค่ะอืาคุณทิศมาเชื่อคุณทิศมา เป็นยังไงมีอะไรไหมกาบอธสการค่ะอ า, าจารย์ไม่มีคําถามค่ะวันนี้มากับฟังค่ะยังถือศีลปฏิบตัติเหมือนเดิมค่ะโอเคคุณเสี่ยวมีนี่คุณชื่ออะไรนะคุณคุณนิงหรือเปล่าเสี่ยวมีสองสามเนี่ยครับคุณนิงครับคุณนิงคุณเป็นยังค่ะอาจ า, า, ารย์ก็ปฏิบัติไปเรื่อยๆนะคะพอาจารย์ก็ไม่มีอ่า อะไรมากเพียงแค่ว่าได้เห็นอะไรหลายๆอย่างค่ะก <Und. S 1> ับส <i ball explain> like like oh, like ิ่งที่อยู่รอบตัวก็ได้เรียนรู้แล้วก็ได้มาดูใจตัวเองค่ะอาจารย์ว่าเราก็ต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกันเหมือนเห็นคนที่อยู่ในบ้านพอเวลาไปโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์แล้วเข้าใจเลยว่าเกิดเเจ็บตายอ้ามีเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับอาจารย์แล้วตอนนี้ก็ไม่ได้มี อะไรมากอ่ะก็ปฏิบัติตามที่พร้อาจารย์สั่งสอนมาแล้วก็มาดูที่ใจตัวเองเป็นสำคัญนะคะพระอาจารย์หนูก็เลยว่าเออถ้าเราเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าไม่ได้เตรียมตัวเนี่ยก็มันก็สามารถที่จะไปได้อยู่ตลอดเวลาได้เหมือนกันนะคะพระอาจารย์ ดังนั้น ต, ต้องถามตลยว่าพร้อมหมถ้าเราต้องไปวันนี้พร้อมหรือเปล่าหนูก็ถามอยู่ตลอดนะคะว่าพร้อมไหมหนูก็คิดว่าหนูพ้อมครับอาจารย์บอกว่าร่างกายที่สวยงามหรือร่างกายอะไรมันก็ไปได้เหมือนกันบางทีเจ็บตรงนิ้วที่เราไม่ได้ระวังก็มาดูว่าวันหนึ่งมันก็หายไปแม้กระทั่งขับรถอ้าว อยู่ๆเราจะไม่มีตัวตนอยู่บนโลกนี้อะไรอย่างนี้คะ่ะอาจารย์บางทีแวบๆเข้ามาก็จะคิดอย่างนี้อยู่เสมอ ค, ะคะอ่ะอาจารย์อันนี้ก็คือเป็นการที่เร า, าฝึกหรือเปล่าคะอาจารย์บ้าเป็นการเตรียมตัวเนียงใจเป็นการทำงันบ้านที่ต้องอทอสอบต่อไปถ้าเตรีตัวทำได้เวลาสอบมันก็ผ่านมันก็จะไม่ทุกข์อ่า แล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะพระอาจารย์หนูจะบอกกับทุกคนไว้นะคะว่า่อไม่ต้องเสียใจอะไรกับหนูถ้าหนูเป็นอะไรไปแม้กระทั่งกับแม่สามีหรือทุกคนแล้วค่ะพระอาจารย์ว่าเขาอาจจะเสียใจแค่นิดหน่อยเดี๋ยวก็ลืมไปไม่ต้องเสียใจแล้วก็เขาอาจจะดีใจก็ได้ไปเร็วเลยก็จะเสียใจ <laughs> ใช่ครับอาจารย์ก็อาจจะดีใจก็ได้แต่คนที่ดีใจมันทำไมกังวลอย่างเขาหยุดกังวลที่ตัวเราคนเดียวก็พอว่าเราจะเสียใจหรือเปล่าเวลาเราไปแค่น่้ค่ะอาจารย์แต่นคนอ <คน S 1> ื่นส่วนคนอื่นก็แล้วแต่นานาจิตต่างคนที่เกลียดเราเขาก็จะดีใจคนที่เขารักเราเขาก็จะเสียใจค่ะอาจารย์แต่คือมันไม่มีอะไรนะคะเกลียดปวดหรืออะไรไม่มีเลยเราก็ได้ฟังค่ะจากที่อ่า กะะลางยาลามิทนะคะที่ได้ตอบที่ที่ได้อ่าหบอกพระอาจารย์นะคะแล้วก็ได้ฟังตอบถามว่าเอ้าก็คิดเหมือนกันหนูก็ไม่ได้อะไรแล้วหนูก็คิดเหมือนกันเพ่ออาจจะดีใจก็ได้ <c oughs> แต่หนูเ่ยพร้อมหนูก็บอกอย่างงี้บางที <c oughs> คนก็มากันได้แกรนนองหนูก็เข้าใจนะคะที่พูดไปเขาบอกว่า <c oughs> อ้าวทาไมไม่ตั้งสํานักหรอหนูก็เลยบอกขาๆมาก อ๋อ oh, mm hmm. หนูยังไม่มีบุญขนาดนั้นหนูก็เลยพูดของขำกลับไปค่ะไม่ได้โกรธอะไรเขานะคะแต่ก็ mm hmm. คือแบบตลกตลกไป ม, มากกว่าค่ะพระอา mm hmm. จารย์แต่เพียงแค่ว่าเราอะได้ได้บอกกับทุกคนแล้วว่าไม่ต้องเสียหรืออะไรกับเราเพราะว่า mm hmm. พร้อมแล้วค่ะพระอาจารย์ mm hmm. แต่เราก็อาจจะมีบ้างที่ใจแบบป้บนิดนึง mm hmm. เพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่หรือเปล่ามันยังเคอออกไม่หมดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ถ้ามันยังมีอยู่มันแสดงว่ายังมีกิเลสอยู่ ค่ะพระอาจารย์ก็คือเป๊่มหนึงนิดนึ่งแต่คือมันไม่ได้เยอะเหมือนแต่ก่อนนะคะพระอาจารย์อันนี้ก็คือว่าต้องย้ำต้องย้ำกับใจยังไงก็ต้องตายอยู่ดียังไงก็ต้องไปอยู่ดีค่ะพระอาจารย์ก็คือหลายๆคนเนี่ยหนูมันนั่งคิดดูอา้าวเขาไม่ได้คิดว่าอืจะตาย<ม>เป็นแต่คนอื่นตายมไม่ได้คิดว่าตัวเองจะต้องตายเหมือนกันเป<ม>็นหมูก็เห็นคนใกล้ตัวเขาไปลงอยู่ในห้องน้ํา แล้วเขาก็ตายไปเลยคือญาตินะคะพระอาจารย์รง่ายขนาดนั้นชุนร์ใช่ตาตายมันมค่ใบเราหายที่เราหายใจเขา้าก็หายไม่หายใจเพราะมันก็ตายแลย้วค่ะพระอาจารย์หนูเพอ้อนิดเดียวเองไม่ได้มีอะไรเลยสิ่งที่หามาได้ทั้งหมดบางทีไปทํางานตะเกียกตะกายขนาดนี้หรือว่าอย่าได้ขนาดนี้เอา้าก็เอาไปไม่ได้แล้วทําอะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพระอาจารย์ก็พยายามแบบเออเราจะต้อง เต็มตัวแล้วก็อ่าทําในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายแล้วก็คือทําต่อไปค่ะพระอาจารย์ค่ะก็มไม่มีอะไรมากก็คือพยายามอ่าปฏิบตัติต่อไปค่ะพระอาจารย์ก็รู้สึกว่าตัวเองเบาขึ้นเยอะมากเลยค่ะพระอาจารย์มไม่ได้ยึดกับลูกหลานหรืออะไรหนูก็บอกนะครับว่าแม่ไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะมาดูแลรืออะไรอย่างเงี้ย พ่อหนูเข้าใจว่าอัติหีอัตโนนาโถต้นไปท่วงแห่งตันเนี่ยดีที่สุดในทุกเรื่องครับอาจารย์อืมค่ะอันนี้ก็คือขาบคอาจารย์หนูก็จะปฏิบัติต่อไปนะคะอาจารย์การสาุปะโอ้ทำกันบ้านนะเรามีข้อสอบรออยู่แก่เจ็บตายนี่เป็นข้อสอมนะขอบคุอาจารย์โอเคไปที่คนกฟต์คกัฟข้อสอบคุกัฟต์ต์ก็สุาห์หน เห็นปฏิกูลเนี่ยงว่ า, าหารที่เรากินเข้าไปาจะกลายปเป็นยัไงต่อไปยังไม่ได้เปิดไม้เลยเปิดไม้ก่อนขอบคุณเลยเสียงค่อยมากเสียงค่อยมากครับพระอาจารย์ได้อีกไหมครับวันนี้อหูฟังเสียอรับอ่าต้องพูดดังๆเลยใกล้ๆครับ ก็ก็มีเรื่องเดียวครับที่ที่วันนี้ยังพูดกับเพื่อนอยู่เลยว่าวันนี้ยังทำเรื่องนี้ยังไม่ได้ครับแต่ว่าก็จะเริ่มทำใหม่อีกแล้วครับรือเรื่องอะไรเรื่องเรื่องอาหารครับก็่อต้องมันพิจ<ม>าราไว้ความปฏิคูลของอาหารบาอาหารมันก็คือครจระดีดีนี่เองใช่ไหมครับเออเรากินเข้าไปแล้วมันก็ออกมา กลเป็นอุจจาระไปถ้าเรารเรากินอุจจระเข้าไปเท่านี้แค่นั่งอย่างนี้ครับก็มีหลายเรื่องครับแต่ว่าเดี๋ยวไปทํามาก่อนครับทราบดีว่าว่าดตึดอะไรบ้างครั บ, รบโอเคให้ครูเด่นครั้งหน้าครับพระอาจารย์เดี๋ยวไปเตรียมไว้ให้พร้อมครับโอเ ค, อเคที่กุณจอยยอยต่อ ย่อยกับค่ะไม่ช้าหนูไปใส่บาตรแล้วอาบน้ำเพิ่งเสร็จค่ะเขาบอกอยากคุยแต่ว่าอแต่งตัวโปอยูว่าว่าสาวเทนหนูพาแม่ป้าแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าก็คือสิบแปดแม่เขาถือกันไม่ไหวค่ะเพราะว่าต้องต้องอดเย็นเขายังไม่เคยก็ได้สิน5้ากันแล้วก็นั่งสมาธิเดินจนกลมแล้วก็ฝึก <c oughs> เเลืกกรรมฐานนี้ประสนากันนะก็ค่อยฝึกไปเรื่อยๆค่อยฝไปออเสียงอะมาตอนนี้เสียงดังวันเช้านี้หาวใส่บาทหาวเฮ้ยวัยยงไงตอนนี้เสียงดังดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้โหเดี๋ยวให้เสร็จก่องก็ได้สิครัน ก็แล้ววันวันพายใหญ่วันวันพายหน้าวิสาขะเออก็เหมือนเดิมก็ก็เินธบามเหมือนเดิมคนก็อาจจะมากหน่อยวันนั้วันที่พระพุทธเจ้าครบฐานการเช่อ่าประเสริฐตัศลุและก็นิพพานเป็นวันเกิดวันตัศลุและก็วันตายของพระพุทธเจ้าแม่แม่เขาจะส่วนเอ่อให้ผักสอนเขานั่งสมาธิเดินจงกรมหน่อย ตอนผานอืมอีก็สอนไปพุทโธไปบอกให้พุทโธพุทโธไปแค่นีงค่ะค่ะแดีวหนูสองเขาพูดถูกแต่เขาไปที่ไหนเขายุ่งยากหนออะไรก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันแต่เราเรียนที่นแต่ว่าหนูหนูก็ภาวนาพุทโธของหค่ะไม่มีอะไรแล้วค่ะโอเคอเจอกันวันถัหน้าค่ะอเค เป็นนภิสิทธิ์จันสกลนครการนมัสการพระอาจารย์ครับไม่ได้เข้ามาหลายสั ป, ปดาห์เลยครับอาจารย์เนีไปหลายมากลเลยอ๋อก็ไปข่าวแล้วก็ mm hmm. ไปอบรมการติดตั้งหลังคาของแม่ทีทีของบริษัทบูสโคมาครับอาจารย์แต oh. mm ่ hmm. ไปพบปะเพื่อนฝูงอะไรก็ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้เข้ามาครับอื mm hmm. ก็ยังฝึกอยู่ทุกวันครับอาจารย์ทำไ ม, mm hmm. ไม่ได้ขาด ดีครับดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนครับไป <Okay. S 1> ครับต่อไปนะครั บ, <Okay. S 1> รบไม่ไ ป, ไปที่กระดูสายครังเปลี่ยนเครื่องว่าแล้วคุณารเปดไมคดูนะเนวัศการค่ ะ, ะมาคนระับเสียงมานะใช้โทรศัพท์แทนแล้วค่ะอาจารย์คือโยมจะพูดถึงว่าวันก่อนที่โยมฟังธรรมะนาคุติวันที่หนึ่งนะคะอาจารย์ อาจารย์อธิบายในช่วงหลังๆในเรื่องของการใช้ความเพียรในเรื่องของการสมาิสติแล้วไปสมาธิแล้วก็ไปมิปัสฐานะใช่ไหมคะในภาพของโยมมันเกิดเป็นเหมือนกับวงจรเดมิงอะค่ะอาจารย์ที่เป็น P D C A อะคะ่ะโยมบอกว mm ่า hmm. อ๋อถ้ามันเป็นวงจรแบบนี้มันก็สามารถโยงกลับไปกลับมาได้ใช่ไหมคะ mm hmm. โยมก็เลยได้จำบอกว่าต้องใช้ความเพียโยมก็เอามาใช้บนเรือนภาวนาแต่ว่าตอนนั้นก็คือนางพอทําไปวันที่สี่รู้สึกว่ามัน มันไม่ได้เลยเราทําไมเราทําไม่ไ ด, ด, ะะดแแ้แล้วก็นั่งเสียจากน้ําตานั่งอยู่นค่าสมาธินะคะน้ําตาก็หยดแแมะแแม่แล้วก็น้ํามูกก็ย้อยลงเข้าปากแต่ว่าแล้วก็มันก็นิ่งแล้วก็พุโทโธพุทโธพรรู้สึกอยากหยุดพุโทโธเราก็หยุดแต่มันก็เกิดเป็นนิ่งๆน้ํำมูกก็อยู่ในปากน้ําตา ก, ก็หยดแต่เราก็อยู่กับมันนิ่งๆแล้วยมว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่าแต่ตอนนั้นคือไม่มีอ า, ารมณ์ปรุงแต่งอะไรทั้งหมดเลยนะคะยมก็นิ่งแต่พอตอนบ่ายสองมันมีเทศน้ากุติวันที่สี่อะคะ่ะ ช่วงตอนท้ายๆอาจารย์จะพูดบอกว่าเมื่อเรานั่งภาวนาเราอยู่กับลมหายใจแล้วก็อยู่นิ่งอยู่กับเบรคขาอยู่กับมันไม่คิดอะไรโยมว่าอา้าวที่เรานั่งทําไปแล้วเราร้องไห้รู้สึกหมดกําลังใจมันคือใช่ น, นี่นาอ้าวแบตเดียวหมดไม่พูดไปเรื่อยเรื่อยยังไม่หมดอกพูดได้เดี๋ยวมันมหมดก็ปล่อยมั<บ>นหมดไปโยมก็เลยรู้สึกว่าอ๋อนี่ไงวันที่สองพอ ด, ดังนั้นธรรมะหน้ากุติวันที่สี่ มันคือการตอบโจทย์เชื่อมโยงแต่วันที่หนึ่งมาวันที่สี่แล้วก็สามารถเอามาใช้ได้จริงแล้วโยมก็ขังตัวเองอยู่สองวันไม่ออกมาจากนอกกุติแล้วก็โยมก็นั่งเดินดืนนอนซึ่งเราสามารถดูลมหายใจเราได้มากขึ้นง่ายขึ้นค่ะแล้วพอกลางคืนนั้นโยมก็มานั่งฟงังนั่งเก้าอี้่ค่ะแล้วก็ดูลมหายใจสักพักหนึ่งได้ยินเสียงลมหายใจยาวซึ่งแล้วก็เป็นจังหวะซึ่งไม่ใช่ลมหายใจของโยมโยมว่าเอ๊ะอะไรโยมก็หยุด ปรากฏว่ามันคือลมหายใจของกวางที่มันนอนใกล้ๆเรือนนะคะอาจาันโ mm hmm. ยมมารู้อีกวันหนึ่งมันโยมออกมาดูอถ้าเป็นมาก่อนยมคงหลอนแต่ปรากฏว่าอ๋อเขามากินน้ําจากตู้คอมเพิสเซอร์ที่มันน้ํำหยดลงมาค่ะแล้วเขาก็มานอนตรงนั้นเสียงลมหายใจเขาสม่ําเส ม, สมอแข่งกับลมหายใจของเราะคะ่ะอาจารย์ mm hmm. ก็บอกอ๋อเรามีเพื่อนภาวนาก็ดีคะ่ะอาจารย์ mm hmm. จากการที่ขึ้นไปแล้วก็พอวันธรรมะหน้ากุฏิวันที่เจ็ดอาจารย์เทศเรื่องของการ บูชาใช่ไหมคะมีอารมิตปฏิบัติบูชาเพราะฉะนั้นจากวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่และวันที่เจ็ดมันเชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วก็สกุ๊ปสั้นๆของข่าบอกว่าที่ของธรรมะค่ะบอกว่าเมื่อหยุดคิดเมื่อไหลจิตมันก็รวมได้เองยมก็เอามาใช้ซึ่งกันขึ้นเขารอบนี้รู้สึกว่ามันเอามาใช้ได้เกิดประโยชน์จริงๆนะคะแล้วก็ยมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรมว่าให้ย้อนกลับไปฟังวันที่หนึ่งแล้ววันที่สีและวันที่เจ็ ช่วงท้ายๆอะค่ะซึ่งอาจารย์บอกว่าสติแล้วมาสมาธิถ้ากลับไม่ได้ก็ไปที่สติใหม่พอสติได้แล้วก็ค่อยไปวิปั ส, สนาถ้าไม่ได้ฟุ้งก็กลับมาที่สมาธิหรือไม่ก็กลับไปที่สมาสติใหม่โยมก็เลยคิดว่านี่คือวงจรเดมิงคือ P D C A เลยค่ะอาจารย์มันเป็นพัฒนาแบบยั่งยืนโยมก็เลยมาเขียนเป็นแผนผังของโยมแล้วก็โยมก็เอามาใช้ค่ะอาจารย์มันรู้สึกมันดีมากเลยเราไม่รู้สึก ร, รู้สึกว่ามันมันง่ายต่อการ ปฏิบัติะคะ่ะแต่ตอนนี้มันมีอยู่อันหนึง่งตอนที่โยมนั่งโยมที่โยมนั่งน้ําตาให้ร้องไห้บอกว่ามันท้อไงคะอาจารย์มันทอ้นทอ บ, บอกว่าเราจะหยุดแล้วเหร อ, อไม่ได้เราต้องทําต่อไปอย่างน้อยที่สุดแล้เป็นนี้สันดานนีมม่ขมักไปเกิดชาติหน้าแล้วค่อยว่ากันใหม่โยมก็นั่งทําต่อไปแล้วก็มาถึงก็ได้คําตอบมันคือสิ่งที่เราได้ใช้เอามาใช้จริงๆในในการปฏิบัติธรรมอะคะ่ะอาจารย์โยมรู้สึกว่ามัน มันตอบโจทย์ทุกอย่างเลยค่ะอาจารย์แล้วก็มันได้เอามาใช้แล้วก็นึกถึงว่าอ๋อไอสิ่งที่เราคาดหวังว่าเมื่อมันรวมมันต้องรวมแบบนี้แบบนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยที่เจอกับเราตรงนี้มันคือใช่แล้วไงคะอาจารย์ใช่ใช่ไหมคะแล้วโยมก็เอามาจากโยมก็เอาอันนั้นนะคะมาพัฒนามาปรับปรั บ, ป ร, บปรับเรื่อยๆตอนนี้ขังตัวเองใช่ไหมคะไม่เปิดประตูออกไปเลยนั่งมันสะดุกจุดที่เราอยากจะนั่งนั่งไปเรื่อยๆจะรู้สึกเมื่อยก็ขึ้นมานอน นอนไม่นอนดีกว่าเราลองดูลมหายใจก็นอนดูลมหายใจไปมันก็เหมือนกับมีมีโดมครอบเราอยู่เป็นสีฟ้ า, ฟาแล้วก็อยู่กับลมหายใจแล้วมันก็นิ่งมันรู้สึกมันมีการพัฒนาขึ้นมาค่ะสามวันนี้คือตอบโจทย์สามารถเอาไปใช้ได้เลยค่ะทุกคนที่บอกมาค่ะแล้วก็มีน้องคนนึงเมื่อเราเมื่อไปที่น้ากุติน้องบอกว่าชาติที่แล้วเราคงจะนั่งรถไปทอดกรถินด้วยกันชาตินี้เราถึงได้มาเจอกันแบบนี้แล้วก็ครบสี่สิท คนแบบนี้เลยค่ะอาจารย์มัน mm hmm. เป็นกัลยาณมิตรที่ดีที่มากเลยค่ะแต่มันมีคำหนึ่งผุดขึ้นมาในความรู้สึกของโยมคือคําว่าสภาวะธรรมมันคืออะไรโยมไม่รู้เรื่องภาษาภาษาบาลีค่ะอาจารย์โยมก็ลองไปเปิดคุกเกิลโยมก็บอกว่าทําไมเราต้องเปิดคุกเกินในเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เลยก็เริ่ข อ, อนุ ญ, ญาตอาจารย์ครับเขาอธิบายเพิ่มเติมให้หยอ ย, อยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปแล้ก็เรียกว่าสภาวะธรรมมัน รูกเสียงกลิ่นรดความคิดปรุงแต่งอะไรนี่ก็เรียกเป็นสภาวะธรรมดินน้ําต้นไม้ใบหญ้าอันนี้ก็เรียกเป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับเราทุกอย่างใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นในโลกเนี้ไม่ใช่แค่เกิดขึ้นกับเราอย่างเดียวหรอกดินฟ้าอากาศดินน้ําลมไฟอะไรที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แลดับไปนี่ก็เรียกเป็นสภาวะธรรมมันมันผุดขึ้นมาซึ่งโยมไม่รู้เรื่องภาษาบาลีโยมไม่เป็นอาจารย์ย ปฏิบัติอย่างเดียวค่ะอะมันก็เป็นคําที่เราใช้กับสิ่งต่ตางๆทั้งที่อยู่ภายนอกทั้งอยู่ภายในใจก็มีสภาวะธรรมอารมณ์ก็เป็นสภาวะธรรมได้เหมือนกันอารมณ์รักชังกลัวลงโง่ดนี่ก็เป็นสภาวะธรรมเหมือนกันอะไรที่มันเกิดแล้วดับนั่นถือว่าเป็นสภาวะธรรมได้มันเป็นอนัตตามันเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ พอวันที่ยมรู้ข่าว่าน้องเคยเสียชีวิตใช่ไหมคะยอมยมก็บอกว่าแล้วยมทําอะไรได้เหรอยมทําอะไรไม่ได้ <S <S มยมรู้ตอนตีสามครึ่งนะคะยมก็มานั่งสมาธินนั่งสมาธิ น, นั่งตายก็เป็นสภ<ม>าวธรใช่ <S 2> <S 2> <S 2> <Leaders S 1> ค่ะยมก็มานั่งค่ะยมมานั่งสมาธิตั้งแต่ตีสามสี่สิบห้ามาออกตอนห้าตีห้าสิบเจ็ดนาทีมันนั่งไปแบบไม่ได้รู้สึกอะไรนั่งไปได้โดยที่บอก เราทําอะไรไม่ได้เนี่ยแม่ก็เสียชีวิตไปแล้วเป็นอนัตตาแล้วก็มันนั่งสมาธิมันดีค่ะมันโล่งแล้วมันเบ า, าคือพออาจารย์พูดในเรื่องของซูมเรื่องอยาไม่ได้าหลับหรือหลับหรือสมาธิแต่โยมว่าโยมไม่ได้หลับเพราะว่าเมื่อเราออกจากสมาธิตรงนั้นเราตัว เ, าเบากายเบาใจอ่าจารย์มันรู้สึกเบาเร า, าต้องเป็นคนรู้เองว่าหลับหรือไม่หลับคนอื่นบอกเราไม่ได้แล้วใช่ค่ะแต่สิ่งที่อาจารย์เทศวันที่เจดบอกว่า ท้อแท้มันเป็นจริงๆนะคะ น, น้ําตานี้ร่วงนั่งหยดถูกเท้าที่นั่งสมาธิขัดสมาธินะคะหยดน้ํามูกก็เข้ามาขังในปากเราจะออกไหมไม่ออกช่างมาเราจะนั่งอยู่แบบนี้แหละปล่อยมันจะรู้สึกอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคะ่ะอาจารย์แ ล, ล้วรู้สึกแบบการขึ้นเขาแต่ละครั้งมันมีพัฒนาการนะคะอาจารย์อันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์นะคะขอบคุณจริงๆตาทุเละ ค, ะค่ ะ, ะ, คะขอบพระคุณนะค ะ, ะ, ค ะ, คะกลับมาใหม่นะกลัไปขึ้นเข่าใหม่ เดี๋ยววันที่หามิถุนาที้ไปอีกค่ะตอนนี้ไปไหนวันเลยค่ะเจ้าสาธุค่ะอ่ามุนจีฟมุนจีฟาวิมาวิแลนด์ยังไงติดตามได้ข่าวว่าการเมืองกำลังร้อนอยู่ที่นี่เหรอคะก็โยมไม่ค่อยได้ตามค่ะแต่เมื่อวานนี้มันมีเลือกตั้งเลือกตั้งแบบของรัฐนะคะโยมก็ไปเลือกมานะคะเขาก็จะถามเลยว่าคุณคุณพักไหนอ่ะ เหมือนอวยมเอายื่นบัตรประชาชนใช่ไหคะเขาถคุณเลือกพักไหนเดี๋ยวต้องบอกว่า อ, อ่อโยมเลือกพับลิฟดิบเดียมออะไรเงี้ยเขาก็โอเคเหมือนกับว่าพี่เขาถามเพราะว่าเขาจะได้ให้เราไปเลือกเฉพาะคนที่อยู่ในพักนั้นที่ลงเลือกตั้งในพักนั้นนะคะเป็นตัวแทนของพักนั้นถ้าเราลง Republican เขาก็จะเปอีกพักหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ ม, มันคือมันเป็นเลือกสอวอ ส, สแล้วก็เขาก็จะถามด้วยนะคะอาจารย์ ยอยากให้ใครเป็น next president โยงก็โอ้ยก็จะใครลนะ่ะก็ต้องมีถ้าเป็นเดโมแครตก็มีอยู่คนเดียวโ <c oughs> ยง ก, ก็ไม่เป็นไรหรอกสังคารถึงจะอายุเท่าไหร่แล้วแต่สมองยังใช้ได้อยู่ก็อเดีกว่าอีกคนนึงมั่งอะไรอย่างเงี้ยครโยงก็ต้องแบบอื้ อ, ม อ, มอมไม่เป็นไรหรอกยองก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันระอุอยังไงอะค่ะเพราะว่าไม่ได้ตามข่าวเลยคือถ้ายิ่งตาม <c oughs> มันก็มันเหมือนการเมืองไทยอะคะ่ะอาจารย์ มันก็คือแค่ราภยศสันเสริญแล้วเดี๋ยวพอได้มาก็มันก็เปลี่ยนก็ใช่มันก็เหมือนกันนะคะใครมีตําแหน่งหน้าที่ถ้าใช้ดีก็ดีใช้ไม่ดีก็มะพบกับคนอื่นเขาก็มันก็มันก็เรื่อยๆอะค่ะโยมก็เลยเออไม่เป็นไรหรอกยังไงก็จะกี่สมัยก็ขอให้ทุกคนมีสติปลอดภัยละกันโดยเฉพาะคนที่เรารักแอบอยากนิดนึงค่ะ พระอาจารย์มื่อวันนี้วันเกิดโยมมาค่ะพระอาจารย์แล้วพรุ่งนี้วันเกิดลูกสาวโยมก็เลยจะอขอพอรจริงๆก็ไม่ได้ดีใจที่จะต้องเกิดอีกนะคะแบบที่พระอาจารย์บอกแต่ว่าในเมื่อมันยังมีวันครบรอบเวียนมายังไม่ดับสังขารนี้ก็ขอพอรพระอาจารย์หน่อยได้ไหมคะได้ก็ขอให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปกันแล้วกันเมื่อตายฉันทำจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตาย ต, ายต่อไป สาธุค่ะสาธุค่ะพระอาจารย์เมื่อวานยงก็ไปวัดเติอพระท่านก็บอกท่านก็แบบคอมพลนนิดนึงว่าเนี่ยตอนนี้ไม่กล้าเปิดประตูวัดที่ดีซียไม่กล้าเปิดประตูเลยอะไรเงี้ยเพราะเมื่อก่อนมีโจรขึ้นมาอะไรเงี้ยท่านก็บอกดูซิเขาเอาของอาตมาไปหมดเลยยุงก็ไม่เป็นไรนะคะพระอาจารย์คิดในใจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวมันก็มาใหม่เดี๋ยวมันก็เกิดมันก็ดับเดี๋ยวมันก็มาใหม่แต่เราก็ไม่กล้าพูดก็เลยอุ้คขะรัฟังขะรัฟังอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะพระอาจารย์ก็ขอบคุณพระอาจารย์สบายดีนะคะ yeah. ร พ, ร พ, พระอาจารย์บบอายุยืนยาวสาธุค่<ล>ะสาธุค่ะสาธุค่ะก็จะปีนี้ก็ตั้งแต่ว่าจะลดลดไขมันไม่ใช่ลดแบบไขมันลดการกินที่มันอยากหวานเนี่ยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> มันเหมือนน้องคนเมื่อกี้ที่บอกว่าภาวะเขาคือเรื่องอาหารภาวะโยมคือเครื่องดื่มพวกชาไข่มุกเนี่ยค่ะพระอาจารย์ <c oughs> ขอบคุณค่ะขอว่าอาจารย์ทักขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะขอบกคุณสําหรับคําอวยพรเจ้าค่ะน้อมนําปฏิบัติค่ะไปที่คฟิกิต้าต่อบเฟกิต้ากลับนักการ์ตอาจารย์ค่ะนอนนาหน่อยนะไม่เป็นไรค่ะไม่ได้เข้ามาสองสัปดาห์ไปประชุมที่ต่างประเทศค่ะพระอาจารย์เป็นยังไงตอนนี้ ได้กลับมาแล้วค่ะเพิ่งกลับมาพอดีไปประชุมแล้วก็ก็ภารกิจค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็เจอผู้คนค่อนข้างมากก็เลยภาวนาไม่ค่อยก้าวหน้าค่ะก็เลยจะมาขอคำชี้แนะในการปฏิบัติจากพระอาจารย์ค่ะช่วงที่เราถ้าจะต้องทำงานเยอะต้องใช้ความคิดตลอดเวลาต้องต้องวางแผนต้องต้องบริหารคนมันก็เลย มันก็เลยจะหยุดคิดไม่ค่อยได้ค่ะพระอาจารย์แบบนะนํายังไงดีคะก็ถ้าต้องคิดจาให้มันคิดแต่เรื่องที่ดีก็แล้วกันคิดด้วยความเมตต า, อ, าอย่าไปคิดด้วยความมาคาดตพยาบาทจบใครให้อาภายัยถ้าต้องเกี่ยวข้องกับคนก็ต้องใช้ความเมตตาให้มากๆแล้วถ้าถ้าเขาไม่อยู่ภายใต้การที่เราจะสามารถอ่จัดการกับเขาได้ก็ต้องทําใจให้มีอุเบกขา วางเฉยนีย่ยไปโกรธเขาอย่าไปเสียใจที่เราไม่สามารถที่จะจะทำอะไรกับเขาได้นะเราปล่อยเขาเป็นไปตามเรื่องของเขาไปค่ะแต่ว่าก็อยากจะอยากจะเอแบ่งเวลาคือจริงๆแล้วที่ฟังพี่พี่ญาติธรรมนะคะที่อพูดเรื่องของเวลาที่มันเหลือน้อยพุกทีแล้วเราก็ไม่ควรจะประมาท ดังนั้น <c oughs> จิน ก, ก็เลยรู้สึกว่าเวลาเราทํางานหนักๆเนี่ยเราเสียเวลาภาวนาหรือเปล่าลก็พยายามหาความสมดุลอยู่ครับอาจารย์เราเราก็มีเวลาช่วงเช้าตอนที่เราตื่นขึ้นมาช่วงนั้นก็ช่วงที่เราเตียงตัวเนี่ยก็ปฏิบัติสติไปได้ตลอดเลยนมอรู้ตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ําน้ำหนาแปรงฟันก็พุโทโธไปเมืม่อมาเช้นั้นก็เฝ้าดูการกระทําของร่างกายไปไม่ได้ร่างกายกํลาลังทําอะไรอยู่กันเราก็ทําไปกับร่างกาย อย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเลยยังไม่ถึงเวลาไปที่ทํางานยังไม่เราไปคิดเรื่องงานช่วงนั้นเราก็สามารถใช้เป็นเวลาที่เราฝึกสติได้ถึงแม้จะไม่มีเวลานั่งสมาธิอย่างมากก็ได้มีโอกาสได้ฝึกสติช่วงที่เราอยู่คนเดียวยังไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครค่ะค่ะแต่ว่าก็จะตั้งใจ อ, อ ใช้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือว่าวันวันที่เป็นวันหยุดอะค่ะพระอาจารย์หรือสินแปดแล้วก็ปฏิบัติพยายามจะพยายามที่วันนี้เพืนนว่าวันพระวันหยุดทํางานเป็นวันที่เราควรที่จะมาฝึกวิธีหาความสุขจากการทําใจสงบบ้างเพราะต่อไปบางทีร่างกายของเราอาจจะใช้ไม่ได้เราก็จะได้มีวิธีอื่นที่จะทําให้เรามีความสุขได้ ครับขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะขอพระอาจารย์ทัดขนแข็งแบงค์จ้าสาธุไปที่กัญแจจ้าออรกรอนตอนดัเนแบบนมัสการค่ะพระอาจารย์พระอาจารย์หนูสบายดีค่ะเมื่อกี้พระอาจารย์สนทา น, นากับคุณปุ้ยพระอาจารย์บอกว่าจะว่าดีก็ดีจะว่าไม่ดีก็ไม่ดีเรื่องสุขภาพหลหรือเปล่าค่ะพระอาจารย์ที่ว่าไม่ดีของพแพทย์ไม่หรอกมันก็เป็นเรื่องของ อันนี้จังมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบางวันมันก็ดีหน่อยบางวันก็เร็วหน่อยเรื่องของร่างกายมันก็ไม่มันก็ไม่ใช่เป็นของเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่มันก็มีขึ้นมีลงไปตามตามเหตุตามตามเวลามันไม่ ม, ไมีไม่มีอะไรที่เร่งน่าจะต้องการวันหน้ากใ็ใหญ่ก็พูดไปเบื่อยกลางๆมันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้าง โอเคเข้า <Okay, S 1> ใจแล้วค่ะหนูเหนื่อยว่าพาจานเจ็บไข้อะไรทหรือเปล่าไม่หรอกไม่ไม่จะเจ็บไข้ในปุณายนค่ะบางวันมันอาจจะเหนื่อยหน่อยอาจจะมาอาจจะเดิ้วแรงน้อยหน่อยอะไรของมันนี้ก็อาจจะมีบ้างอาจจะเป็นเพราะพักผ่อนหลับนอนไม่ไม่ไม่พอเพียงมันก็มีการเปลี่ยนไปได้ตามเหตุการ์อ<ฆ>ืมแล้วเรื่องเล่า <c oughs> <c oughs> เอ่อเรื่องเล่า แต่ของพระอาจารย์นี่มีผลกับเวลาที่พระอาจารย์ปฏิบัติไหมคะว่าทําให้วันนี้อาจจะแบบไม่ไม่สามารถนั่งได้ดีเท่าเมื่อวานหรืออะไรประมาณนี้นะะ อ, อ๋อหมายถึงช่วงนี้หรือว่าช่วงตอนที่เราปฏิบัติว่าช่วงนี้เราไม่ได้ปฏิบัติตนะเราเราทำหน้าที่เป็นคนต่างสอนใช่มหมป้านั่นสิคะหนูก็เห็นพระอาจารย์มีภารกิจเยอะมากให้ลูกหลานก็ อ, อ, อย่างว่าพระอาจารย์จะมีเวลาปฏิบัติให้ตัวพระอาจารย์เองบ้างหรือเปล่า ของตัวเราเนี่ยมันมันมัไม่ต้องปฏิบัตินะมันอยู่ตัวนะอ่าทู้ค่ะปฏิบัติไม่ปฏิบัติมันก็เท่ากันอ่าทู้ค่ะถ้าเจ้ค่ะทีนี้หนูวกกลับมาเข้าที่เรื่องตัวหนูว่าอ่าวันเนี้ยครบสามสิบวันแล้วที่หนูกับเพื่อนที่ไทยนัดกันว่าเราจะนั่งสมาธิทุกวันแล้วก็เขาก็ส่งกันบ้านมาแบบว่า day one สิบห้านาที day t อะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ส่งกลับไปทีนี้ ช่วงสองอาทิตย์แรกอะหนูก็เหมือนปลอบใจตัวเองว่าโอเคเรานั่งได้แค่หลักแบบสิบสิบห้ายี่สิบสามสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งสำหรับหนูหนูรู้สึกว่ามันน้อยน้อยเกินไปที่จะเกิดประโยชน์แต่อย่างน้อยหนูถือว่าหนูได้ฝึกความมีวินยัยที่ว่าเราตั้งสัจจะกับตัวเองว่าจะทำทุกวันเราก็จะทำทุกวันต่อให้มันแค่สองนาทีกเท็เถอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเข้าสักประมาณอาทิตย์ที่สาม หนูก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าแบบกิเลสหลอกเราหรือเปล่าว่าเออไม่เป็นไรสิบนาทีก็ยังดีกว่าไม่ทําทั้งๆทงี่ความจริงแล้วคือมันมันหนูคิดผิดไปหนูโดนกิเลสตัวเองหลอกอยู่อะไรอ่ะหนูก็เลยเริ่มสร้างกดเพิ่มว่าไม่ใช่แค่สิบสิบห้านาทีอย่างน้อยหนูต้องนั่งนับให้ได้ห้าสิบลมหายใจซึ่งถ้าเกิดอถ้าเกิดว่านับจริงๆถ้าหายใจยาวๆจริงๆห้าสิบลมเนี่ยมันก็แบบได้ ได้นานกว่าสิบสิบห้านาทีพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ปรากฏว่าหนูเริ่มคือเริ่มกลายเป็นหายใจเร็วขึ้นเพื่อนที่ว่ามันจะได้เช็คเดอะบ็อกซ์ว่าแบบโอเคห้าสิบแล้วพออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยล่นกลับมาเหลือแค่แบบสิบสิบห้านาทีอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะทีนี้คำถามของหนูก็เลยจะมาถามพระอาจารย์วันนี้ว่าหนูนั่งทุกวันก็จริงแต่มันไม่สงบแต่อย่างน้อย มันเป็นมันยังถือว่าเป็นประโยชน์อยู่ไหมคะกับการที่เรายังคงรักษาสัจจะว่าเรานั่งทุกวันหรือว่าพระอาจารย์มองว่ามันเหล่อแหละเกินไปมันมันไม่ได้ผลมไม่มีประโยชน์มันเหมือนเอาเกลื อ, ปอไปละลายเราไปตั้งเป้าหมายผิดเนี่ยเราไปตั้งการรักษาสัจจะไปตั้งไปเอาตั้งที่ว่าเวลาสถิติของการนั่งซึ่งมันไม่ได้เป็นประเด็นที่จะทําให้เกิดผลผลที่เราต้องการมันจะเกิดจากการตั้งสติ นี่เควจะกลับมาตั้งที่สติส่วนเวลาจะนั่งได้นานไม่นาน น, า น, นี่ไม่ต้องไปกังวลกับมันนั่งปัะจำว่าเราจะทนนั่งไม่ได้ค่อยเลื่อค่อยเลือกจะดีกว่าเพราะถ้าไปตั้งเวลาตั้งกําหนดไว้มันก็พาวะโคลนกันเรื่องเวลาไ ม, ไม่มีสติอยู่กับการทําทําสมาธิเลยอือโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะก็คือเช่นทดูดมลมดูลมตั้งสติอยู่กับลมดูลมไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจเรื่องเวลา นอกจากว่าถ้าต้องการจำเป็นจะต้องมีเวลาจำกัดก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ก็แล้วกันให้มันถึงเวลานก็มันดังแต่ถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปตั้งมันดีกว่าเพราะบางทีเราอาจจะนั่งได้นานก็ได้ค่ะหนูไม่ได้ตั้งเวลาเพราะหนูก็กลัวแบบนั้นเหมือนกันค่ะเพราะมันวันที่หนูนั่งได้ชั่วโมงครึง่งเฉยเพียงแต่ให้รู้ว่าเราเริ่มเปกี่โมงแล้วพอเราเริ่มเราก็ดูนาฬิกาวันนี้เราเรนั่งได้เท่าไหร่อย่าไปให้นาฬิกาเป็นตัวกำหนดเวลาของการนั่ง นอกจากว่ามันจําเป็นจริงๆต้องไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อไปก็อาจจะต้องต้องใช้เวลาทำบังคับแต่ถ้าไม่มีความจําเป็นไม่อยาให้เวลามันเป็นตัวบังคับให้มีสติเป็นตัวบังคับใจดีดก่คะอืมค่ะหนูก็ใช้ใช้แบบนั้นค่ะใช้ดูเวลาตอนต้นแล้วก็ดูเวลาตอนจบแต่ว่าหนูอาศัยนับหายใจเข้าออกนับหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ได้จะทําอะไรก็ได้แต่ ขอให้เรามีสติอยู่กการทำก็ลัวกันอืมค่ะก็ะคือแทนที่จะนับห้าสิบก็ให้เปลี่ยนเป็นมันอาจจะเหลือแค่สิบยี่สิบตเป็นสิบยี่สิบที่มีคุณภาพที่เรามีสติในทุกอย่าไม่ต้องนับอะไรก็ได้ก็ค่อยดูไปดูเข้าดูออกไปดูเข้าดูออกไปเรื่อยๆอืมอืมเพราะการไปไปนับเนี่ยมันก็ไปกังวลกับตัวเลขอีงเดี๋ยวจำได้จำไม่ได้ขึ้นมาอีกค่ ะ, คะ ให้รู้เฉยๆรู้อยู่ครัมลมหายใจเข้ารู้ว่าเข้ารู้ว่าออกไปแล้วถ้ามันเฟื่อยมันก็จะมันก็จะนั่งได้นานเป็นเลยอืมโอเคค่ะหนูติดหนูติดนับไม่รู้เหมือนกันว่าไปติดไปติดโก้ไปติดว่าเรามีเป้าหมายตรงนั้นตรงนี้เิดเปนก็เลย<อ>ไปเล่น<ป> อ, อยู่ให้มันจบให้มันได้เป้าหมายเร็วๆไม่มาเลยหนูติดตรงสัจจะนี่แหละค่ะเพราะว่าหนูอ่ะคือ เหมือนช่วงที่ผ่านมาหนูมีความรู้สึกว่าโอเคธาดนี้ต่อให้ไม่แตะโสดาวันแต่อย่างน้อยเราก็ขอสร้างบา ร, รมีแล้วหนูก็รู้สึกว่าบา ร, รมีที่หนูมีไม่พอก็คือสัจจะบา ร, รมีแล้วก็วิริยะและก็สติสามตัวเนี้ค่ะหนูรู้สึกว่าพอหนูไม่มีสัจจะปั๊บมันก็ทําให้หนูแบบทําอะไรหล่อๆแล้วแ ะ, ะ, ะ, ะไม่มีความเพียรอะไรแบบนี้หนูก็เลยรู้สึกว่าอะ หนูจะลองสร้างตัวนี้ตตกายเป็นเนี่ยหนูก็รู้สึกว่าเนี่ยแล้วยังไงอะแล้วพอเนี่ยครบหนึ่งเดือนมีสัจจะแต่ทําไมเราไม่รู้สึกมันก้าวหน้าหนูก็เลยรู้สึกว่ า, วาเราเราไม่มีเราไม่มีสติค่ะอืละจะ ก, ก็จําเป็นแต่ก็ต้องมีสติเป็นตัวที่จะทําทให้เกิดผลขึ้นมาค่ะโอเคค่ะงั้นก็เริ่มเอาใหมท่ที่ตั้งอธิษฐานว่าเป็นสติก่อนที่เราจะต้องสร้างบา ร, รมีสติก่อน ก็ S <S สัจจะด้วยถ้าไม่มีสัจจะเนี่ยมันก็น o t like ขึ้นมาอีกว้องทต้องทําด้วยแต่ทําด้วยสติ <C HA. S 1> อย่าไปทําด้วยเพราะว่าเราต้องทําให้มันมีสติตามทาตามสติกี่นาทีอย่าไปตั้งตรงนั้นค่ะโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะแฟจพระอาจารย์คะหนูขอถามเรื่องเมื่อกี้ที่พระอาจารย์ อ่าสุนทนากรคุณอุษฎีและพูดถึงวันวิสาขะที่เป็นวันประสู ต, ตสิจัสรู้ปรินิพานอะ น, นะคะ mm hmm. หนูจําได้ว่าหนูเคยไปฟังคลิปอยู่คลิปหนึ่ง <c oughs> หนูไม่แน่ใจว่าของท่านไหนแต่เหมือนท่านพูดว่าอืมคําว่าประสูติจัสรู้ปรินิพานเนี่ยไม่ได้หมายถึงเจ้าชายศิทธทาแต่หมายถึงว่าเนื่องด้วยวันนั้นเป็นวันที่ท่านจัสรู้ก็เลยทําให้มีตถาคตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นวันที่ ป ล, ลินิพานก็คือหมายถึงไม่ใช่สละธาตุขันธ์แต่หมายถึงไปสู่นิพานอย่างนี้ถูกไหมคะว่าไ ม, ไม่ได้มไม่ถูกประสูตก็คือเกิดก็คือร่างกายธาตุขันธ์เกิดจะต้องเจ้าชายสิทธัตถะต้องเกิดขึ้นมาก่อนอแล้วก็ไปออกบวชอายุยี่สิบเก้าปีก็ไปบวชพ อ, อปฏิบัติได้หกปีก็ตัดสรนลูกเป็นพระพุทธเจ้าตอนที่ตัสรูกเป็นพระพุทธเจ้านะถึงนิพานแล้วพ่วอใหญ่ค่ะ เวลาตายนี่ท่านไม่ได้ท่านไม่ได้ค่อยไปนิพพานท่านไปท่านไปถึงนิพพานก่อนที่ท่านจะตายอืแต่เพียงว่าเราเรามักจะนิยมใช้คําพูดแทนคําตายว่าเป็นนิพพานถ้าเป็นพระก็นิพพานถ้าเป็นคนก็มมรณะภาพเป็นพระสงฆ์ก็มรณะภาพหรื้อเนี่เราไม่ชอบพูดคําตายไงถ้าเป็นพระเจ้าแผ่นดินก็สวรรคตไปไปสวรรค์ แต่จริงๆแล้วก็คือเป็นวันเกิดวันตายวันเกิดวันตัดเชื้แล้วก็วันตายอ๋อเขาปฏิหารตรงวันกันเอดีสมัยก่อนเขาเขาใช้วันวันตามวันวันกันธรกติเขาก็เดีไว้ขึ้นวันเดียวันนั้นก็วันเกิดวันตัดเชื้อโรกับวันตายก็วันขึ้นวันที่สิบห้าค่ำเดือนหกตรงกันโอเคค่ะ แต่ถ้าังดูปฏิทินตามตามเดือนคงจะไม่ตรงกันถ้าเป็นวันที่คงจะไม่วันที่หรือวันเดียวกันอืมโอเคแต่ละทุกข้าวว่ากุ้งข้าวอือโอเคต้องเข้าใจนะว่าพระพุทธเจ้าถึงนิพพานในวันที่ตัดสัตว์นะไม่ใช่มาไม่ใช่ตายแล้วค่อาไปนิพพานไม่ใช่นั่นถึงนิพพานตั้งแต่ท่านยังไม่ตายก่อนมังคนเข้าใจผิดว่าเออ มัวิญญาไปเข้าไปนิพพานปอดตายไม่ถึงนิพพานแนละ้วไม่ได้ไปเข้านะเนี่ยอันที่ตายนั่นก็คือร่างกายแต่ใจอยู่ที่นิพพานตลอดเวลาอยนะู่นะต้องแต่วันตัดชีวนะิตแล้วเข้าใจแล้วค่ะโอเคนะขอบคุณค่ะพระอาจารย์โอเคแฟนะที่คุณน้าต่อบมีกี่คำถามคุณนะ้าแปรบนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์มีทั้งหมดสี่คำถามเจ้าค่ะ คำถามแรกจากคุณอัจฉริยาเวลาหิวควรกําหนดอย่างไรคะในการถือศีลแปดคะเวลาหิวก็อย่าไปนึกถึงอาหารที่อยู่ในจานนะให้นึกถึงอาหารที่งอยู่ในช่วงอย่าไปนึกถึงอาหารใหม่ให้นึกถึงอาหารเก่าแล้วมันก็จะหายหิวคําถามต่อไปถ้าท้อใจจะทําอย่างไรคะก็พยายามฟังเทศฟังธรรม อ ย, อ, อยากพระพุทธเจ้าหรืออากพระนิยสงสาร บ, บารทำนั้นก็จะเกิดมีกำลังใจขึ้นมาคำถามต่อไปกราบนมัสการพระอาจารย์คะ่ะการที่เราพิจารณากายถ้าเราไม่มีการมาราะกํำหนัดยินดีในร่างกายของผู้อื่นเราจำเป็นต้องพิจารณากายของผู้อื่นไหมคะ หรือเราสามารถพิจนารณาแต่ร่างกายของเราก็เพียงพอคะกราบขอบพระคุณค่ะคือการพิจารณาร่างกายมันมีหลายหลายเหตุผลในการที่เราต้องการพิจารณาถ้าเราถ้าเรามีเรื่องการมาราคะเราเกี่ยวเราเห็นคนนั้นหน้าร้านหน้าชมน้าหน้าร่วมเพลศด้วยเราก็ต้องมองความไม่สวยงามของร่างกายของเขาพิจารณาอาการ32 เราพิจารณาว่าเวลาที่ร่างกายเขาตายไปแล้วตายเป็นซากศพแล้วเรายังอยากจะมียังอยากจะร่วมหลับนอนกับเขาหรือเปล่าอันนี้เป็นการกําจัดการมราคาการพิจารณาร่างกายของเราเราก็จําเป็นต้องพิจารณาว่ามรรกายของเราไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายของเราก็ไม่สวยงามด้วยมีอาการท่าที่สองเมื่อเราจะได้ไม่มากังวลกับความ รูปร่างหน้าตาของเรามากเกินเกินไปบางคนกังวลว่าฉันหน้าตาไม่ดีอรูปร่างไม่ดีอะไรเงี้ยก็มองว่ามันมันดีอยู่แล้วถ้าไม่ดีจริงๆต้องดูเข้าไปข้างในตรงไนมันไม่มีอะไรดีเลยมันก็จะทําให้เราไม่ค่อยมากังวลกับเรื่องของความสวยงามของร่างกายของเราเพราะความเจริงมันก็ไม่สวยงาม เรามองเข้าไปข้างในก็มีโครงกระดูกมีตับไตไส้พุงมาต่างๆก็ต้องพิจารณาทั้งทั้ ง, งให้รอบครอบทั้งของเราและทั้งของคนอื่นไม่ใช่จะพิจารณาของเราอย่างเดียวพิจารณาทั้งของเราทั้งของคนอื่นพอเราจะได้เห็นว่าเหมือนกันหมดทุกค น, นคร่างกายไม่สวยไม่งามร่างกายไม่เทีย่ยวกายเจ็เจ็บได้เป็นนน้ำลงไปเท่ากันหมดเหมือนกันหมดคนถามสุดท้าย กลาบนักมสการพระอาจารย์ครับผมเด็กชายชาววินชื่นจิตอายุ11ปีครับเพิ่งฝึกนั่งสมาธิได้สองเดือนนั่งช่วงแรกรู้สึกเกรงนั่งได้แค่สองสามนาทีตอนนี้นั่งได้ประมาณ 15-20 นาทีไม่รู้สึกเกรงเหมือนตอนแรกครับรู้แต่ว่ากำลังหายใจเข้าออกอยู่ไม่ได้พุโทโธครับ บางวันมีความคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ดึงกลับมาได้ครับบางวันก็ไม่มีคิดรู้สึกสงบผ่อนคลายครับรบกวนพระอาจารย์ช่วยสั่งสอนด้วยครับก็ดีเ น, นี่ยฟังแล้วก็ขอให้มีสติอยู่กับการดูลมหายใจก็ออกไปเรื่อยๆแล้วจิตก็จะสงบมากขึ้นไปตามลําดับต่อไปนนั่งต้องมีสติมีสติตกํากับใจให้อยู่กับลมหายใจเข้า เราก็อย่าให้คิดปุ่งแต่งบางวันก็อาจจะสติดีก็จะไม่คิดมากบางวันสติไม่ดีก็อาจจะคิดมากก็อย่าไปท่อแท้เหมือนนายก็อยอมรับว่าสติเรายังไม่ยังไม่สถียนยังไม่ต่อเนื่องต้องพยายามฝึกสติให้มากมากก่อนที่เราจะมานั่งด้วยวันวลาที่ไม่คบถามคำถามหมดแล้วเจนะ้าค่ะโอเคเวลาก็หมดพอดีเลยสำหรับวันนี้ ขอให้ท่านจงนำว่าสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าเนยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด